เรนพรานนสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีนมหาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาถามได้ถ้าเข้ามาทัน ก็เราก็ต้องรับได้เพียงไม่เพียงจํานวนจํากัดถ้ามากกว่านั้นก็ต้องรอจีบอื่นวันี้เราก็เริ่มที่เดิมที่ญี่ปุ่นเอ่อที่โตกเกียวยินดีนะกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณกราบพระอาจารย์ครับกราบพระวันนี้ไม่ดา <ำ S 2> ส่วนดาส่วนดามส่ว่ไ ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่นี้ไม่มีครับอาจารย์ค่ะมากกว่าคณาจารย์ดิฉันค่ะอ่ายังไปที่ฮอลแลนด์ต่อครัไปที่ตาว<ช>ันก่อนรรอตาวันครับมีมัรงคำถามครับวานยังไงมีอะไรไหมเออวันนี้ก็มีหนึ่งคำถามครับอ่มามาเลยทมสแนตตีือส่ดยมอนเป็นบุญมากกว่าครับ เหมือนกันสมาธิกับการสวดมนต์ก็เป็นการทําใจให้สงบแต่ส่วนมนต์นี่อาจจะสงบน้อยกว่านั่งสมาธิหลับตาดูลมหายใจเขา้าแต่ถ้ายัางนั่งสมาธิไม่ได้ก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนเข้าใจไหมเข้าใจครับอันนี้ทํายังไงสวดมนต์ก่อนนังน่งสมาธิสวดโมฆะก่อนครับ อืมเเสร็จแล้วค่อยนั่งไปอืมใช่วยครับแล้วอันไหนสงบพอกันนะเออสวยมันก็เป็นสงบแต่ทัศนวัติสงบกว่าครับอ่าอันไหนมีความสุขมากกว่าอ่ะเออสวยมันชิมชิพล่าตาชมทัศนวัติเออมองก็มีคันแล้วมองก็ใชอืมอ่าแสดงว่าติตยังไม่สงบ ถ้าสงบแล้วจะไม่ลำคัอคันก็ไม่รู้สึกํำคาญเจ็บก็ไม่รู้สึกลำคญชเฉยเฉยไม่เดือดร้อนพยายามทำให้มากๆนะต่อไปแล้วก็จะสงบจะเย็นจะสบายอาจารย์มาพูดโ่อบับอานารยหรือพูดถ่ออกเสียงพูดถ่อในใช้หรือพูดถ่อ แล้วก่อนอะไรพูดโธออกเสียงหรือพูดโธในใจพูดโธออกเสียงหรือพูดโทรในใจครับอ อ, อยู่ในใจอย่จะดีกว่าอย่าไปออกเสียงเดีย๋ยวไปรบกวนคนอื่นก็ใช่ครับพูดโธนี้ทําได้ทั้งวันเลยไม่ใช่แต่จะเวลาที่นั่งสมาธิอยากจะพูดโธตอนไหนก็พูดโธได้เวลารู้สึกไม่สบายใจก็ใช้พูดโธพุดโธไปก็ได้ ลองพุโทโธพุโทโธไปภายในใจแล้วใจจะเย็นใจจะสบายหายหายวุ่นวายลองทำดูนะดีครับโอเคมีอะไรไห ม, มไม่มีครับไม่มีคไม่มีอะไรหรือเปล่าค่าพระอาจารย์วันนี้โยมีหนึ่งคุณถามค่ะค่ะ ก็คือเรื่องการฝึกสตินะคะสังเกตตัวเองว่าพอฝึกสติแล้วเนี่ยความละอายต่อบาปมันจะมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่เรามีความรู้สึกมากขึ้นในใจเรา <c oughs> ก็เลยรู้ว่าเวลาทำบาปเนี่ยมันน่าละอายแล้วก็มันทำให้ใจเราไม่สบายแล้วก็จะไม่อยากจะทำค่ะพระจค่ะ อย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเดินไปข้างนอกใช่ไหมคะปกติโยมจะสํารวมตาใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยมันเผอไปไปมองผู้ชายแบบเนี้ยค่ะเมื่อก่อนนี่ก็คือว่ามันจะเผลอแล้วก็มองเธอแต่ว่าตอนเนี้ยพอมองไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกถึงความพอใจปุ๊บมันเหมือนมีตัวเรียกว่าอะไรอ่ะคะอาจารย์มันเหมือนมีตัวเหมือนมีตัวจิตสำลักใช่ค่ะรู้สึกว่ามันพอใจขึ้นมาแล้วมันก็เลยแบบ หลบตาค่ะแล้วก็มันมันสติมันจะมันจะระลึกได้ว่ามันอยากกลับไปมองแต่มันไม่มองค่ะมันมันรู้สึกละอายค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนนั้นก็เลยใช้อสุภะค่ะพระอาจารย์มันก็ช่วยได้ค่ะทําให้จิตไม่ปรุงแต่งค่ะเออถูกต้องการมีสติมันจะทําให้เราเห็นปฏิกิริยาของใจเราค่ะเห็นนะไรสัมผัสอะไรมันจะมีปฏิกิริยาถ้าไม่มีสติบางทีเราไม่รู้ไหลไปตามปฏิกิริยา ถ้ามีเราก็จะสามารถใช้ปัญญาแยกแยะได้ว่าดีไม่ดีควรไม่ควรผิดสีหรือไม่ผิดสีในทรรมเรานี้อเดสติเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญตัวที่จะทำให้ใจเราสามารถเห็นการกระทําต่างๆของใจได้อย่างชัดเจนคือมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะอาจารย์มันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ว่าเหมือนกับว่า มันเคยได้ฝึกมามันก็เลยตอนนั้นคือเหมือนใช้ได้ทันนะคะพระอาจารย์แต่ก็งงตัวเองว่าทําไมเวลาไปเจอผู้หญิงแล้วแบบเอ้ยมองเขาสวยจังแต่มันไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกละอายนะคะพระอาจารย์จะ เ, เป็นเฉพาะเพราเร<พ>าไม่ไ ม, มีความอยากอะไรในตัวเานะ้าเลยอ๋อค่ะเราไม่มีตันหาความอยากแต่พอมีผู้ชายนี้มันมีตันหาความอยากตา ม, มาด้วยค่ะค่ะมันก็เลยรู้สึกละอายขึ้นมานะคะ่ะพระอาจารย์ ค น, น า, าก็รู้สึกก็แสดงว่าเรามีปัญญารู้คุณรู้โทษของกายก็คความคิดของเราการการะทำของเราค่ะแค่มองว่าเขาหลอกก็รู้สึกอายแล้วค่ะอะจารยเพราะเขาไม่ใช่แฟนเราเอย่างนี้นค่ะ ก, ก, ก็ดีแต่ก็ต้องเวลาบางทีต้องเจอกันก็ต้องใช้เมตตาตาพระอาจารย์เราต้องทักทายกันแั้ว อ, อะไรกัน คนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ตามแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องมีการทักทายกันปฏิสันถานกันก็ต้องใช้ควา ม, มเมตตาค่ะไปในใจก็ตนึกถึงอสุภะไปด้วยค่อยถ้ามันมีความยินดีถ้ามีความคั่ยขึ้นมาก็ต้องนึกถึงอสุภคะคเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้เร็วในใจเราใช่ค่ะพอาจารย์ ดีเนี่ยฝึกสติปไปเรื่อยๆพยายามสักแนึ่งพยายามนั่งสติให้มากนั่งสมาธิให้มากเราจะหยุดจะหยุดกิเลสได้ง่ายได้เร็วถ้าไม่มีสมาธิบางทีทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าไม่ดีมันก็มองทีมันก็นเดิมกิเลสมันไม่อยอมค่ะนั่นเราพยายามฝึกสมาธิด้วยฝึกสติแล้วก็นั่งสมาธิด้วย แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอะไรเป็นศีลอะไรไม่เป็นศีลอะไรเป็นอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบาปอะไรไม่เป็นบาปค่พะพอาจารย์ค่ะแต่ไปข้างนอกก็คือก็ต้องสังรวมตาเหมือนเดิมใช่ไหมคะพระอาจารย์เราสรจสจเที่ยงไม่ได้แล้แบบนี้คะ่ะใช่ก็มีสติให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเห็นอะไรเห็นแล้วก็ต้องรู้ว่าใจเรามีปฏิกิริยาอย่างไร อู้ว่าขึ้นมาแล้วแาบไม่เฉยเฉยไม่ถ้าเฉยเฉยก็ไม่มีปัญหาถ้าอู้ว่าด้วยความรักด้วยความชังก็ต้องแก้ปัญหาบางทีไม่บางทีไม่รักมันก็ไปชังใช่ไหมอันนี้บางคนหน้าตาเราไม่ชอบขึ้นมาเราก็ไปชงังเขาเราก็ลองใช้ความเมตตานะครับเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเรายังไม่รู้จักเขาเลยเราไปเกลียดชงังเขาทาไม เวลาเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าตัดมาที่ดูลมหายใจบางทีสําหรับโยมมันช่วยไม่ได้ค่ะต้องใช้อสุภาช่วยอันนี้โยม<า>วัตถยังไม่ไ ม, ไม่ไม่แข็งแรงพอใช่ไหมคะพระอาจารย์ยาเป็นคนละชนิดกันเนี่ยลมหายใจนี้มันสําหรับทาให้ใจเข้าชานให้เข้าสมาธิมากกว่าอสุภานี่ยมันจะดับความยินดีความกําหนัดยินดีในร่างกายของคนเหนื่ย ตอนนั้นก็คิดถึงน้ำมูกที่หูขี้ตาที่ฟครับอาจารย์มันก็ช่วยได้มั น, ม, นมันก็ไม่ปรุงแข่งนะคะตอนนั้นก็คือว่าอุย้ยก็ช่วยได้ค่ะพระอาจารย์แต่ใจอยากจะมองแต่ว่าก็ก็ก็ ก, ก, ก, กสู้มันไม่มองฉันไม่มองเธอ <ừ. S 1> ก็อย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ความหลงมันจะหลอกให้เราเห็นว่าสวยงามน่าดูาารเราต้องเอาความจริงเข้ามายานันเอาธรรมะอสุภาสุภานี่ก็เป็นความจริงของร่างกายที่เรามองไม่เห็นกัน เนื้อพยายามมองที่ไม่มองกิเลสไม่เช้าพระนองบอกใช่ ค, ค่ะเพราะงงว่าเมื่อก่อนมอันมองเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะสัมผัสความทุกข์ที่มันมาทางใจมากขึ้นนะพระอาจารย์มันมันก็ดี่เพราะว่าถ้าปล่อยไปบางทีก็เหมือนไฟตอนแรกมันก็เป็นแค่ไฟ<อ>ไม่ขีดไฟนั่นเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลามใหญ่โตขึ้นไปได้ถ้าไม่ห้ามใจให้แต น, น, น้อยเรื่อต้น ก็ดีก็พยายามทําไปอ่าอาจจะอาจจะเป็นเราเป็นคนแบบก็เข้าในราคาราชจริญหบอเปล่าต้องใช้อะตัวผ้าอย่างเงี้ยโยมโทสศัพทจริญนะโทรศัพมันจะเร็วมากค่ะบางทียั้งไม่ค่อยทันราคาเจริตยังพอสัมผัสหรูยังยังยังได้ค่ะโทสศัพท์จะนำค่ะต้โทรศัพก็ต้องให้อภัยอย่าจองเลยยอมทําอย่าถือโทษเกินเกอนกันอ่าเหตุเหตการณ์บางทีเราก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ อันรมันจะเกิดก็ก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปแล้วก็อยากไปถือสากันไปค่ะแล้วก็<ม>เรื่องเรื่องโทรศรัพท์จะหลีโยมมีคําถามนะคะอย่าง เ, เรื่องการหาอุบายในการสร้างความเมตตายอย่างนี้ยคะ่ะพระอาจารย์บางเรื่องอย่างเนี้ยก็ใช้อุบายหนึ่งมันก็ช่วยส่วนบางเรื่องเนี่ยกว่าจะหาได้ที่เหมาะกับกับโยมเองนะ่ะมันนานมากเลยคะ่ะพระอาจารย์ น, นี่คือมันแล้วแต่เหตุการณ์นี้ยังไงคะหรือแล้วแต่จริย์นะคะพระอาจารย์ยังปัญญายังไม่รอบครอบ ปัญญาจะไม่คลุมทุกเหตุการณ์มาฝึกซ้อมไปได้วยนะทําการบ้านไว้ก่อนถ้าเราทําการบ้านไว้ก่อนเวลาเกิดเหตุการณ์จริงมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราไม่ทําการบ้านไว้ก่อนเวลาเกิดเหตุการณ์จริงก็ไม่รู้จะหาคําตอบมาตอบมันยังไงก็อาจาะต้องใช้เวลาหน่อยจนกว่าปัญญาจะทันวิรญยะเข้าได้ถึงจะแก้ปัญหาได้ดังนั้นบางทีเราก็ต้องเตรียมการไว้ก่อน สมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไขึ้นเราจะทํำยังไงถ้าเจอแบบนี้จะทํำยังไงถ้าเราเตรียมไว้ก่อนามันเกิดขึ้นเหมือนก็สบายใช่ไหมพร้อมนะมีคําตอบนะถ้าเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราก็ต้องทําการบ้านเตรียมตัวสอบพอเราเข้าห้องสอบเราเราเตรียมไม่ทุกข้อแล้วมันก็สอบได้หมดถ้าไม่เตรียมไว้เตรียมแต่บางข้อบางข้อไม่เตรียมพอเจอข้อที่เราไม่เตรียมก็ตอบไม่ได้ อืมค่ะอาจารย์พอตอนนั้นสติมันไม่ทันอย่างเงี้ยมันไม่มีเมตตาพอมันโกรธเขาไปแล้วหรือว่าแบบเอ่อเหมือนจะเอาคืนแบบ น, นี้อะค่ะอาจารย์แล้วมาแก้ที่หลังเนี่ยโอ้โหยุ่งยากมากเลยอ่ะท า, าไม่รู้จะทำไงเบื้องตอน้นก็ใช้พุทโธใช้สติหยุดแล้หยุดก่อนอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธให้นับความโกรธในเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาด้วยปัญญาต่อไปว่าเราโกรธเพราะอะไร บางทมันต้องกลับมาโทษที่ตัวเราแถ้าเรามันถ้าเรามองที่โทษทุกที่ตัวเรามันก็จะจบถ้าเราไป ม, มองที่เขาไม่มีวันจบถ้าเราไปโทษเขาว่าเขาทำอย่างนั้นก็ททำอย่า ง, างานี้เราต้องมาโทษที่ตัวเราความอยากของเรานี่แหละความต้องการของเราเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นพอเขาไม่ทำอย่างที่เราอยากเราก็เลยโกรธเขาแท่นั้นเองถ้าใช้มเมตตาไม่ได้ก็ใช้ปัญญาแก่เลยแก้ปัญหามันที่ตัวเรา ที่เราโกรธนี่ไม่ไม่ม่ใครสามารถทําให้เราโกรธได้นอกจากตัวเราเองทาให้ตัวเราเองโกรธขึ้นมาโกรธเพราะอยากอยากให้เขาดีกับเราพูดดีกับเราเพราะเขาไม่พูดดีกับเราเราก็โกรธเขาอแต่ถ้าเราไม่ไปหวังอะไรจากเขาเขาจะพูดดีพูดไม่ดีก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธเราก็เฉยเฉยไม่ต้องไปให้ให้อภยัยไม่ต้องไปไม่ตาม่างเพราะเราไม่โกรธเราไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธเลย คือความอยากความต้องการของเราใช่ไหมถูกต้องไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่าพระสารพักหลังโยมจะมองว่าเออไปทำข้ามาก่อนแหละก็เลยโดนกลับแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ช่วยได้นิดหน่อยอาจก็ช่วยได้แต่มันยังไม่ถึงถึงเต้าเอ า, า, าทีแท้จริงก็คืออริยสัจสี่เนี่ย อ, อยู่ที่ ความอยากความทึกความไม่พอใจต่างๆความโกรธความอะไรก็าจากความอยากของมันโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีมีเท่านี้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะโอเคมาที่จมัดกับแจ๊สที่เป็นงานตุ๊กตาไหมหลวงตาดูบ้างที่ไปยังไงต่อไปคแล้วงาเรั้นการพระอาจารย์ครับชื่อชิว อนุตาครับแล้วชื่อนัาตาเนี่ตัวแรกที่ได้มาเขาไปชื่อว่าทุกขังนี่อ้ามามีอะไรสศกกันบ้านนะใช่ครับมามาเราใช่ครับเรามีอะไรเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพรอมความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เราัะไม่คุ้ตายเป็นธรเวลาจะร่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้เราจะเราเว้นเป็นต่างๆถือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทังปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่เพึ่ออาศัยเรา <ขอ S 1> ทำกรรมใดไว้เป็ น, ปนบุญหรือเป็นบาปเร า, เราจะเป็นทายาทถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกวนเถิร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมส่วนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก น้ำหัวใจตับของผืดตายปอดใช้ใหญ่สช้หนยอาหาหม่อาหเก่าเยนสองีน้ำดีน้ำเฉลดน้ำเหลืองน้ำเลื่อนน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำแข็งข้นน้ำมูดน้ำมูดน้ำแข็งขอน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงือน้ำเลื่อนน้ำเหลืองน้ำเฉลดน้ำดีเยี่ยนสองสีสั่ อาหารเก่าอาหารใหม่ไซน้อยไซใหญ่ปอดไตมะหืดปั๊บหัวใจมามเปียในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนหักเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมใช่ ค, ครับแล้วยังกลัวมันเดือวอ่ะไม่กล้ามองมเลยตอนนี้ก็ดูได้ละอันดับนได้ ก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดทำไมไม่กล้ามองมันไม่กล้าดูถ้ามันจะกัดเรามันกัดเราไปนานแล้วพยายามจำไว้นะอาการทานที่สองนี่เป็นยาวิเศษยากแก้ปัญหาต่ตางๆดับไฟตั้งแต่ต้นลมไม่มีแฟนท้าอย่างนี้สบายเยอะมีแฟนแล้ววุ่นวายนะแฟนแล้วต่อไปก็ต้อง มีครอบครัวมีโลกมีอะไรอยาวเหยียดไปเลยอับครับเป็นโซนอยู่เป็นโซนได้ไหมพยายามอยู่ดูนะครับหรืออาจจะไหวบวชก็จะจะได้บวชได้เลยอยากจะบวชก็บวชได้เลยครับถ้ามีไปมีครอบครัวแล้วไปยากมันะครับครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะครับ นั่งสมาธิอยู่ทุกคืนหรอือเปล่านั่งอยู่ทุกคืนครับอ่าสงบไหมสงบอยู่ครับอโอเคพยายามทํำอย่าให้ขาดนะทําบ่อยๆครับทำเอาไปมันจะติดเป็นนิสยัยมันจะต้องมันจะต้องทําทําทุกวันเวลาไม่ทํามันรู้สึกขาดอะไรไปครับครับมีอะไรไหมคุณนมะ่มีอะไรหรือล่า ทัู้ก็พิจารณาความตายทุกวันนะคะ่ะทำที่พระอาจารย์สอนว่าเราทุกคนอยู่บนสายพานแล้วอะ่ะมันมลงอยู่ที่ใจค่ะเช้ามาต้องถามตัวเองว่าวันนี้สายพานเราขยับไปไกลแค่ไหนแล้วเลย<ม>ใกล้จะโดนเชื้อลิ้นค่ะแล้วมันทําให้ค่ะ<ม>แล้วมนทำให้เกิดปัญญาว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งไร้สาระเราเราไม่ทํามันเสียเวลาค่ะก็มาอ่ดูลมหายใจฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ช่วยได้เยอะค่ะค่ะ D D ใดีทำสองอย่างดูแลร่างกายร่างกายต้องดูแลก็ดูแลไปตอนนั้น okay, ก uh. ็มาดูแลใจอย่างออย่าไปดูแลกิเลสอย่าไปตอบสนองตัานหาความอยากต่างๆโอเคนะมีท่านี้ใช่ไหมเห็นแล้วโอเคมาทีเพทย์ผ้าแพทย์ผ้าบคุณพระเจ้าพระคพระจพผ้าพูดภาษาไทยได้ไหม วันศุกร์วัสดุรเอมีอะไรจะบอกน้องตาบ้างเห็นหนสวอันดออืโอเขีนเต็มหน้าเลยนะเขียนได้กินหน้าละลายมือสวยนี่ยอ่ขอบคุณเ <Okay>. มีเกณภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่ามีไหมมีเกณภาษาอังกฤษได้ไหมเขียนได้ค่ะน่าโอเคเดินจากซีนเลยที่งงหายหน้าไปไหนไม่เห็นหน้าเล้วไหมหาอาทิตย์พอพอดีอาทิตย์ที่แล้วหนูตาเจ็บค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามาค่ะอืมสองวันนะคะพูด <Okay. S 1> อ่างขานพุดแล้วก็โมอันพอดีไปมีงานค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามา มีอะไรมีอะไรจะถามไหมคือแบบพี่ภาเริ่มเริ่มเริ่มแบบรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรเรื่องเกี่ยวกับแบบผีอะไรผีอะไรแต่เป็นผ้าก็ยังมีแบบฝันร้ายกับฝันดีแล้วฝันดีแต่ฝันดีอ ก, เก็เริ่มแบบมีแบบ มีนิดหน่อยแล้วแล้วฝันบายก็มีนิดแต่พอฝันแบบไม่มีฝันอะไรเลยก็เยอะกว่าก็ดีถ้าเราไม่ฝันก็แสดงว่าเราเปสมาธิเยอะถ้าเราฝันไม่ดีก็แสดงว่าเราทำอะไรไม่ดีมาเยอะถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าเราทำดีมาเยอะงั้นพยายามอย่าไปทาไม่ดีทำทำแต่ดีแล้วก็นั่งสมาธินะ ถันต่อไปจะมีแต่ไม่ฝันหรือฝันดีเนี่ยแต่ฝันร้ายก็ไม่มีมีไหมอี๋ค่ะโอเคมีอะไรจะทำไหมไม่มีค่ะแต่มีคนนี้นไม่ไม่มีค่ะพระอาจารย์ข้ามาพระอาจารย์ค่ะโอเคเอันท่านี้ก่อนนะอันนี้ปิดทางเหรอครับ ก็ อ, อย่าเล่นมากเกินไปนะดูหนังสือทําการบ้านอยู่เรื่อยๆ น, นะมันแบบครูไม่ค่อยเอาครูมันไม่ค่อยมีการบ้านเท่าไหร่ค่ะก็เขียนหนังสือของนักการศึกษค่ะอยู่ไปเรื่อยๆนะดีหมเกมๆมันนานอะไรไหมอ่น้ะไรไมอ่าไรไได้ไร้เดวอนในวเพื่อเด โอเคนะตอาานนี้ก่อนนะครับ อ, อไปที่คุณหมอพี่เชมเจนเป็นหมอกลับ ร, รมัสการพระอาจารย์ครับขาก็มเมตตาพระอาจารย์อธิ่ายทุกเพราะยึดยึด ถ, ถือครับว่าอุปท า, านก็คือการยึดมั่นถือมั่นเรายึดอะไร้รแเราก็อยากให้สิ่งที่เรายึดนั่นอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดมันไม่คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวอมันมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการหมดหด้พอมันเปลี่ยนไปมันหรือหมดไปมันก็ทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีการสิ้นสุดลงไปเป็นธรรมดาเราก็ต้องอย่าไปยึดไปติด อย่าไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดอย่าไปอยากให้เขาไม่มีการสิ้นสุดตรงก็เท่านั้นแหละร่างกายเราทุกข์เพราะเราทุกข์กับร่างกายเพราะเราไปยึดไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วเราไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยเดือดร้อนเพราะเราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราได้เราก็เลยทุกข์ เพราะเราอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงสามารถตอบสนองตัานหาความอยากเราได้ทุกเวลาที่เราต้องการเพราะมันอยู่ในสภาพที่ทำํำไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกการไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดยดติดกับร่างกายอย่าไปหวังอย่าไปเพื่อร่างกายออมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่า อันนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายสามารถมีความสุขได้ทุกเวลาเองจะนั่งหลับตาพุโทโธพุทโธดูดูลมหายใจเข้าออกไปจนการใจจะเน้นความสุขก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเปลี่ยนแปลงกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนขอ ง, งร่างกายอันนี้คือวิธีปล่อยวางอุปท า, าน ความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างมาสายสมาธิเป็นเป็นที่ให้ความสุขเราเราก็ไม่ต้องไปยึดกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปยึดกับลาบยึดสรรเสริญคนทุกวันนี้ก็ยึดอยู่กับลาบยึดสรรเสริญกันยึดกับเงินทองยึดกับตําแหน่งยึดกับการสรรเสริญรางวีรางวัลอะไรต่างๆยึดกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็น เป็นเป็นเป็นแหล่งให้ความสุขของเขาโดยผ่านทางร่างกายในพอสิ่งหล่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมีการสูญเสียไปในการหมดไฟมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นนะพระเจ้าสงสายว่านี่คืออุปทานความทุกข์ก็จะอุปทานในขันห้าราไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสรูปยึด ต, ตาหูจมูกเส้นกายร่างกายยึดความสุข ความสึกควุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นร้อยดตาพระไม่ต้องการความทุกข์พอความสุขนั้นหายไปเปลี่ยนไปกลายเป็นความทุกข์เราก็วุ่นวายขึ้นมาขณะร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็ทุกข์ขึ้นมาจราิงจริงขณะเราต้องปล่อยวางอย่าไปยึดหน้าอย่าไปอาศัยหน้าอย่าไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรดตาขงจมูกยึนกายมาอาศัยความสงบแทน ที่เราต้องปฏิบัติสติเพื่อที่จะได้มีมีมีอะไรมาควบคุมใจให้สงบถ้านั่งสมาธิจะไม่มีสติใจก็จะคิดไปไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีวันจบไม่มีความสงบได้ต้องฝึกสติก่อนต้องคอยควบคุมความคิดอยู่ความคิดให้ได้ก่อนพออยู่ได้แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะม่นั่งเหลียวเดียวความคิดก็จะจิต ก, ก็จะเน่งความคิดก็จะหยุด ถ้าเจ็กขึ้นจะสร้งางออกกลาความสุขขึ้นมากลายรูเบคาขึ้นมาทําบ่อยๆทําบมากๆต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากซื้อเงินอื่นต่อไปไปบวชได้ไปอยู่แบบดูสีได้เห็ <c oughs> นไหมพวกนักบวชก็ไม่ได้เพิ่งเขาไม่ได้อาศัยลาบยโสสนเสริญไม่ได้อาศัยรลืเสียงกลิ่นรสต่างๆเขาปล่อยวางได้งละอุปทานในขันได้ เราก็ไม่ทุกข์กับการแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงของขัน เ, เข้าใจนะเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์รขอบคุณครับอาจารย์โอเคเนไปที่ท่านต่อไปคุณอ่อนนงกับคุณแม่เลยคุณแม่อยู่หรือเปล่าแม่มน้ำมันสะเดาอาจารย์แม่อยู่ครับอ่าเิญมี่หลาพูดได้เลย ค่ะอาจารย์อาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่โตลูกก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่สังเกตคือพอดีถึงพยายามพอมีเวลาว่างก็พยายามจะนั่งวันนี้บางทีเวลาว่างก็แค่ครึ่งชั่วโมงเราก็นั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกอย่างนี้มันมันดีมันไม่ดีไเมื่อาจารย์ลูกไม่แน่ใจว่าแบบมันถ้าเรานั่งนี่ดีกว่าปล่อยให้ใจคิดคุ้มแต่งอเไรนี่หยุดนนไม่ได้เท่าไหร่ทั้งมากน้อยเท่าไหร่ก็ทําไปสะสมแต้มไป สะสมได้ใช่ไหมตอนแรกก็ชั่วโมงไปบบอกถ้ า, ถ, าถ้ามันสั้นเพราะมันถูกบังคั้งให้สั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันสั้นเพราะขี้เกียจไม่อยากจะนั่งงานนี่อย่างนี้ไม่ดีถ้านั่งนานได้แล้วไม่นั่งนานเนี้นไม่ดีแต่ถ้ามีเหตุการณ์เวลามันบังคับให้นั่งได้เท่านี้ก็เอาเท่านั้นไม่อย่างนี้ไม่เสียหายดีกว่าทิ้งเวลาอ่ใช่ดีกว่าปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านเวลาเปล่าอ่อาตอนนี้ เวลาพิจารณาอาการ32ะ ค, ะค่ะอาจารย์แต่และอวัยวะอย่างนี้ค่ะคือนอกจากความไม่สวยงามของมันจริงๆเราควรต้องพิจารณามันถึงแล้วว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนเราอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นกล อ, อีกอันนั้นกล้อีกอีกม <c oughs> ุมหนึ่งเป็นเรื่องๆไปเริ่มต้นกันด้ว่ความไม่สวยงามความน่าขยะขยะงของร่างกายเพื่อละกามราคะก่อน คนนั้นพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเรานี้เพื่อละความหนุ่งที่ไปเถยว่ามันตัวเราของเราอันนี้เราก็ต้องมาไล่ทีละชิ้นผมนี่เป็นเราหรอแล้วโกนผมหายไปนี้ผมโกนผมทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเราก็ตัดเล็บไปนี่เล็บไปแล้วเรายังเราไปกับเล็บหรือเปล่าเราก็ยังอยู่อืใช่ สำไมนี้เปลี่ยนตายตายเขาเปลี่ยนตายไปตายไปแล้วแล้วเรายังอยู่เปล่าแล้วก็ยังอยู่อให้พิจารณาไปแต่ละชิ้นแต่อ่านว่ามันเป็นมันเป็นเราที่ตรงไหนอ่เหมือนก็เป็นเพลงแต่อวัยวะมีหน้าที่ทำงานให้กับร่างกายไปนันเองถ้าเราค้นออกมาทีละชิ้นทีละชิน้นเราก็จะไม่รู้แล้วเราก็จะเห็นว่าตัวเราไม่ไม่มีในร่างกาย นี่แต่การ ส, ารสงังนิชมันเหมือนเราคิดว่าเราถือว่าเราจะเอาเลยกุญแจขับรถไว้เราจะไปขับรถแล้วกุญแจหายไปไหนวะเราอาจจะคิดว่าเอามันอยู่ในกระเปา๋าถ้าอยู่ในกระเป๋าก็ต้องเทกระเป๋าออกดูนะคนเราดูไม่ได้รู้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าหราาือเปล่าถ้ามันอยู่ในกระเปา๋ามันก็ต้องเจอกุญแจอถ้าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในร่างกายเราก็ต้องเทร่างกายออกมาเหมือนเทกระเป๋า ร่างกายเราก็เป็นเหมือนกระเป๋าหนังเราเนี่ยเป็นกระเป๋าพูดห่อของต่างๆในร่างกา ย, ากายเนีอาไว้ว่าเราก็ต้องเทของต่างๆออกมาให้หมดเลยเอามาเรียงไว้เป็นเอาเอาผมไว้กองหนึงเอาเล็บไว้กองหนึงเอาหนังไว้กองเอาฟันไว้ก่องแล้วไล่ไปดูแล้วเราอยู่ตรงไหนในสารที่สอง่ า, ากายนี้มันไม่มีเราอยูย่ มันเป็นการตู่ของใจเราท่านเองตู่ด้วยความหลงด้วยความไม่มีปัญญาเหมือนกับคนสมัยก่อนอยู่ดีๆก็ตู่ว่าโลกนี้แบนใช่ว่าเดินไปไหนมันมันเรียบไปหมดมันไม่ก็ไปไม่ไม่เคยคิดว่ามันกลมหรอกนะแล้วบางทีสมัยก่อนแม้ารั่งนั่งเรือไปไกลๆกลัวจะตกตกออกจากโลกนี้ไปอบางทีมันแบนเหมือนโต๊้เนี่ย อันนี้ก็เป็นความคิดของเราไปเองความโง่เขาเบาปัญญาคิดไปแต่ต่อมาคนฉลาดเขาคิดว่ามันมันกลมเรามีวิธีดูเรือเวลาเรือเข้ามาทำไมไม่เห็นถ้ามันแ บ, บนนั่นต้องเห็นตัวเรือพร้อมกันทั้งลำํำใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่เสากรโดงลงมาถึงตัวเรือมันต้องเห็นที่เดียวพร้อมกันแต่ทำไมมันก็ค่อยเห็นแต่เสากรโดง ก, ก่อนแล้วก็ค่อยโผล่ขึ้มาส่วน แสดงว่ามันเหมือนกันมันกำลังเดินมาทางขึ้นเขาข้ามเขามาทางของทางมันโค้งมันไม่เขาเลยสรุปว่ามันต้องกลมเหมือนดวงอาทิตย์ดวงดาวทุกอย่างที่มองขึ้นไปมันกลมหมดแล้วลกเราจะมัเป็นแบนเหมือต้นเหมือนเหมือนเหมือนแผ่นกระดาษได้อันนี้ก็เหมือนกันผู้เจ้าก็พิจารณาร่างกายก็นี้เอาเอามันออกมา ามาวางให้เห็นชัดๆทั้งสามอย่าสององการแล้วดูเสียแล้วเรามันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตับหรืออยู่ที่ตายเลยใ ช, ใช่ไหมใช่จริงๆสิ่งหนึ่งที่เหมือนรูปเพ่งอ่านเหมือนอ่านหนังสือแล้วก็ก็เหมือนเป็นความรู้เป็นสิ่งที่รู้ขึ้นมาใหม่คือสิ่งที่จริงๆคิดคือจิตคือใจเราไม่ใช่สมองคือสมัยเด็กๆชอบคิดว่าสมองคือส่วนที่ใช้ในการคิดแต่จริงๆมันไม่ใช่สมองนะคมันจริงมันมาจาก ตัวจิตเราให้แหม้ความคิดต่างใช่แต่สมองนี่มันเป็นเหมือนกับเครื่องที่ประสานการทํางานของร่างกายอื<ะ>มลํานผ่านสมองเป็นเหมือนตัวที่บัญชา ก, การให้ให้ร่างกายขยับแต่ก่อนจะขยับก็ต้องรอให้ใจสั่งก่อนให้ความคิดสั่งก่อน<ะ>คิดให้ขยับแล้วมันถึงสมองมันถึงสั่งให้แขนขยับตามขึ้นมา okay. <ะ>แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดสมองเสียประสาทบางส่วนที่มันเชื่อมกับแขนเสียมันก็ ถึงม้ใจจะสั่งให้ยกแขนมันก็ยกไม่ได้ใช่ไอมอ่า น, นั้นเป็นหน้าที่ของสมองแต่ตัวสมองคิดไม่ได้จำไม่ได้ทั้งหมดไม่ไม่อยู่ในสมองตัวจำตัวคิดได้อยู่ที่ใจสัญญาคือความจำจาได้มายรู้สังขานคือความคิดปรุงแต่งวิวีนาคือความรู้สึกน่าการไม่มีความรู้สึก เวลาคนตายเนี่เอาเอาเห็นไปที่มันเดือดมันสนุงมันไม่สนุงเนลยมันสนุงทำที่ถ้ามีจิตอยู่มันสนุงจิตเป็นตัวรับความรู้สึกใช่งไหมอันนี้ก็เลยเหมือนกับโอ้แต่มแต้งขึ้นมาทันทีว่าเออไม่ใช่สมองแล้วมันคือจิตคือจิตที่เป็นตัวคิดจริงๆแล้วอถ้าไม่ได้ศึกษาศาสนาเราจะไม่รู้จักตัวจิตแล้วจะไม่รู้จักเวทนาสัญญาสังขารมันยัง อันนี้ละเอียดมากความรู้วันนี้เหนือกว่าวิทยาศาสตร์ทุกวันที่มีอยู่นี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่รู้ในื้ อ, อ<ด>สัญญาสัขงขารอยู่ที่ไหนก็เลยก็เลยอันนี้ก็เลยแบบอัศจรรมากเหมือนกันนะความรู้ตรงนี้ตัวรู้อยู่ที่ไหนใครใครเป็นผูร้รู้รู้อยู่ที่ตรงไห น, นสมองรู้เหรอตารู้หรือตามันก็เหมือนกับกล้องกล้องมันถ่ายรูปมันรูมน้มันถ่ายมันมันถ่ายรูปอะไรมันรู้เปล่ามันไม่รู้ใช่ไหม มันก็ทําหน้าที่ถ่ายรูปไปเรื่อยๆเสียงไมโครโฟนมันก็รับเสียงไปเรื่อยๆแต่ไมครไมโครโฟนมันก็กําลังได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะใช่คือร่างกายร่างกายเราก็เป็นเหมือนเหมือนไมโครโฟนเหมือนเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยที่ทำหน้าที่่ตัวที่รู้ก็คือใจนี่นะผ่านสัญญาความจำได้ไหมรู้ชัดเจนมากเลยค่ะ แม่มีคำถามแม่คะค่ะพระอาจารย์คะที่ันเป็นอ่ผู้ฝึกใหม่ในการนั่งสมาธินะคะแต่ปรากฏว่าเอาชนะใจได้สักทีนั่งไปได้นาทีสองทีเท่านั้นแหะจิตก็ฟื้งสร้างและฟื้งแต่ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเพราะว่าสติเรามีกําลังน้อยนั้นเราพยายามฝึกสติก่อนการฝึกสตินี้เราสามารถทําได้ในทุกริยาบททุกเวลาตั้งแต่เราเห็นตาขึ้นมาเชนเราตื่นขึ้นมานี่เราลอง จเจริญสติก่อนใช้พุทโธท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจใอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยเวลาไปเตรียมตัวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเรื่องแต่งตัวก็พุทโธไปคอยควบคุมความคิดไว้ก่อนถ้าเราฝึกอย่างนี้เมื่อการเวลามานั่งสมาธิความคิดมันจะเราเราจะมีสติคอยควบคุมความคิดได้มันก็จะทําให้นั่งแล้วรู้สึกใจความสงบขึ้นมาได้ง่ายขึ้นเวลาท่องพุทโธแล้วคิดถึงอะไรครับ คิดถึงคนรู้คิดแตพูดโธรคำเดียวมั้ยคิดอยู่วา่วาเขาพูดโธรคำเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอันนีพูดโธแล้วเดี๋ยวจะนึกไปนึกถึงเพื่อนนึกถึงอัไนั่นไม่ได้ต้องกลับมาที่พูดโธอย่างเดียวห้องอย่างเดียวนะคะไม่ให้คิดไม่ให้คิดเรื่องมันคิดจะอย่ายไปตามมันให้เราตามพูดโทรเราไปใหม่ๆมันก็ยังใหม่ๆก็ยังหยุดคิดไม่ได้แต่เราก็องอ่ไปตามความคิดแล้วก็อยู่กับพูดโธไปพราะความคิดมันจะไม่ยาว ถ้าเราไปตามความคิดเดี๋ยมันยาวอาจารย์จะลองพยายามดูกนะับท่านมักจะบอกตัวเองว่ายังไม่ได้ทํานั่นจะต้องเดี๋ยวจะต้องทำนี่หรือต้องทํานั่นมันฟุ่มซ่ามไปเลยอ่าใช่พุพโทโธพุทโธอ่าพุ่งแต่งมากเกินไปแต่ท่านจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุโทโธได้ชั่วคราวแล้วก็คิดในเรื่องที่จําเป็นเอ่าวันนี้จะต้องไปทํำอะไรที่ไหนอย่างไรพอรู้แล้วก็ไปเตรียมตัวขณะที่เราเตรียมตัวเราก็พุโทพโธพุทโธไปอย่าไปคิด ท, ที่เท่าที่จำเป็นค่ะท่านก็จะจะจะลองดูแต่มันยากเเกินแล้วเวลานะนั่งสมาธิตอนต้นท่านนั่งแล้ยังดูพุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้มันก็ส่วนมนไปก่อนท่านจำหมดสวนมนได้ลองส่วนมนตมนต์ไหนก็ได้ไม่ว่าเอ า, เอ า, เ, อาเอาท่องอะไรสั้นๆพุทธังสาณาังกะชามิธรรมังสาณังกะชามิสามครั้งสาณังกะชามิท่อไปหลายๆรอบก่อนก็ได้เพื่อลดความคิดลง ให้ควานคิดมันง้อยลงแล้วพอเรารู้สึกว่ามันเบาลงมเราก็ลองดูลมดูดูที่ปลายจ ม, ม, มูกลมเข้าลมออกหน่อหรือพุทโธพุทโทไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องทั้งสองอย่างก็ได้ต้องพุโทโธไปอย่างเดียวก็ได้หรือ ด, ดูลมก็ได้ค่ะนั่นค่ะต้องต้องลองทําดูต้องพยายามโดยเฉ <laughs> พาะการเจริญสติเนี่ยสําคัญมาก ถ้าไม่เตรียมตัวมาก่อนนี้นั่งไม่ได้หรอกอืมอาจานท่านอ่าสุมการอ่ า, าอไปที่โกเบคุนจุการนัดมาการพระอาจารย์เจ้าค่ะอืวันนี้ไม่มีคำถานเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มาฟังธรรมค่ะสบายดีค่ะอธิษฐาน ท, ที่หนู กลับถึงโกเวแล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่หนูเคยเล่าให้พระอาจารย์ว่าวันถัดไปหนูจะพาะลูกพี่ลูกน้องไปวัดอะค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์หนูก็บอกเขาว่าน้องถ้าสมมติอนาคตถ้าน้องเกิดอยากบวชขึ้นมามาบวชวัดนี้น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูพาไปวัดป่าที่เชียงใหม่อะค่ะโอเคค่ ะ, ะแล้วเข า, าไหวไหมเขาก็เขาก็ เขาก็แบบเหมือนก็ชอบแล้วก็เขาก็นั่งอยู่ในพระอุโบสถตั้งนานนะคะดูนู่นดูนี่ดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะหนูก็ไม่ทุกนะคะค่ะไม่ทุกไม่ทุกเป็นทหน้าที่เพื่อนที่ดีไปแล้วนะค่ะหนูก็แบบถ้าเขาจะถ้าเขาจะมาทางนี้ก็โอเคถ้าถ้าเขาจะไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่วาระของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะอือ่าค่ะค่ะ โอ้ดีค่ะพระอาจารย์อย่าไปลืมอย่าไปชวนคนอื่นอย่าลืมชวนตัวเองแล้วกันนะเม่อก้แล้วค่ะช่วง <c oughs> นี้หนูก็พยายามปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็ตอนนี้หนูก็เข้าคือถ้าสมมุติเราตัวเราอยู่คนเดียวอ่ะบางทีเราจะหาเวลานั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะบางทีหนูก็พยายามที่ว่าจะไปหากลุ่มนั่งสมาธิสวดมนต์ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้มันมี กลุ่มนั่งสมาธิสวดมนต์ออนไลน์ค่ะพระอาจารย์เวลานี้มันมันควรจะนั่งคนเดียวอยู่คนเดียวดีที่สุดแล้วไปหากลุ่มให้มันเสียเวลาทำไมแล้วก็ก็คือเหมือนเป็นการบังคับตัวเองเขาว่าเอะเนี่ยถึงเวลานี้เราต้องแบบเข้าไปแล้วเหมือนเหมือนที่หนุ่มมาหาพระอาจารย์อย่างเนี้ยเจ้าค่ะอ๋อต้องมีต้องมีเหตุการณ์บังคับนะถ้าตัวเองอยู่คนเดียวบังคับตัวเองไม่ได้ บังคับก็ได้อยู่ค่ะแต่เดาน่ลองบังคับดูก็ได้อย่าไปพึ่ง ค, คนพึ่งตัวเราเองอัตาหฮอตโนนาโถแล้วถ้าเกิดไม่มีกลุ่มมัเข้าจะทํำยัำยงไงก็ไม่ได้ทำอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะคิดใหม่แล้วค่ะเจ้าค่ะแต่จะเอาไปคิดใหม่ค่ะการ อ, อยู่คนเดียวนี่นดีวิเศษที่สุดและสำคารปฏิบัติกับการไมีเวลาการปฏิบัติต้องปฏิบัติคนเดียววันดีที่สุดไม่มีใครมารบกวนเราเจ้าค่ะ ที่ปใหม่แล้วคะ่ะขอบคุณพระอาจารย์ที่ดึงสตินะเจ้าคะ่ะอะะอยอย่าไปให้คนอื่นมาบังคับเราเราต้องบังคับตัวเราเองเรียกค่ ะ, ะใช <น S 1> ้ใสัจจะบังคับเราวันนี้เวลานี้จะต้องนั่งสมาที่ถึงเวลาก็นั่งทั้ง น, นั้นเองจบไม่ต้องไปหากลุ่มมานั่งด้วยเจ้าค่ะเนระียค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากมากเจ้าค่าขอบคุณที <ะ S 1> ่ดีมา ก็ทำก็เป็นกค่ะกั บ, ขขบนวมัสการคระพระอาจารย์วันนี้ตั้งใจเข้ามากลับฟังทำจากพระอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามค่ะยังถือสีลและปฏิบัติทำทุกว<ม>ันค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้มีเพิ่มอกินเจเข้ามาอีกอย่างหนึ่งค่ะพระอ า, าจารย์เจไม่เจไม่สําคัญอ่ะยังก <c oughs> ินเจถ้ากินเจไม่เส ร, ร็เจเหมาไอ้วัวควายมันไม่เสร็จทำไมหมดแล้วพระอาจารย์น แต่ถ้า<ฆ>สมมติว่าถ้าเราทําอาชีพหมายความว่าถ้าเราไปฆ่าสัตว์เพื่อมอามาเอามาทำเป็นอาหารอย่างเงี้ยถ้ากินเจมันก็จะก็ช่วยได้มันก็จะทําให้เราไม่ไม่ฆ่าสัตว์ค่ะพ่ะย่ะจ้มันไม่ใช่อยู่ที่การกินเจมันอยู่ที่การถือศีลถือศีลหรือไม่ถ้ากินเจแล้วไปตกยุงนี่มันก็อย่าไปกินเจให้เสียเวลาค่ะนะศีลเป็นตัวตั ว, ต, วตัวที่เราต้องการรักษาไม่ใช่ตัว วิธีกินอาหารของเราสิ่งที่เรากินสิ่งที่เรากินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจสิ่งที่เรากินมันขึ้นอยู่มันเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายว่ามันมันทำลายสุขภาพเราหรือส่งเสริมสุขภาพเราแต่มันไม่ได้ทำให้นําเป็นคนมีสีขึ้นมาด้วยการกินเจค่ะแต่กินได้ไม่ห้ามไม่ว่ากันค่ะฟ้าจ๊ะ แต่อย่าไปคิดว่ากินกินเจแล้วจะมีสี้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันก็อยู่ที่ว่าเรารักษาศีลได้หรือไม่ได้รักษาศี้นะคะค่ะอาจารย์นอกจากว่าถ้าเราต้องเวลาเรากินอาหารเราไปตกปลาอย่างเงี้ยพอเรามากินเจเราก็เราก็เลือกตกปลาไปอย่างเงี้ยเงี้ยแสดงว่าเราได้รักษาศี้กินเจเพราะเราจะทําให้เราได้รักษาสิ้นออกมาอยู่ตรงนั้น ค่ะอาารย์แต่ถ้าปกติเรากินเนื้อสัตว์ที่เขาเอามาขายในตลาดแล้วเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่แล้วค่ะมันจะกินเจแล้วกินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ต่างกันตรงนั้นอสำหรับเรอตัวเราเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์มนดีค่ะอย่างอย่าไปคิดว่าคนที่เขากินเนื้อสัตว์เขาเขาไม่มีศีลเขาเขาเขาก็มีศีลเขาก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เขาก็ไม่ได้ไปฆ่าปลามากินเขาก็ไปซื้อปลาที่ตายแล้วในตลาดมากินค่ะ ค่ะศาสอาจารย์อ่าตอนนี้อะค่ะหนูพยายามนั่งมากขึ้นค่ะเพราะว่าแบบกลับมาจากที่ทํางานหนูก็นั่งเลยอย่าเงี้ยค่ะเหมือนแบบมันมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอย่าเงี้ยค่ะศาสตาจารย์ก็ดีแสดงว่าเราได้พบพบพบความสงบแล้วค่ะดีก็ทํำมาเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่อยากจะทําอะไรอย่างอื่นอยากแชร์ความสงบอย่างเด<ช>ียวต่อไปจ้า โอเคน ะ, ะน้ำนำคำสอนทระปฏิบัติคะ่ะอาจารย์ท่าแข็งแรงคะ่ะอ่าไปที่อาจารย์พรมหมวิไลที่กอธรรม อ, อเอ็นอยังไบกวนกัน ก, ก, กรรมพาะอาจารย์ค่ะอ่ากำลังกำลัง ม, ม, มาแล้วคะ่ะเฮ<ป>้าวนกรอาจารย์ครับอเป็นยังไงสบายดีนะสบายดีครับอืมวันนี้อยากจะ กับากกับพระอาจารย์นิดหนึ่งนะคะข้อข่อความกระจ่างนิดหนึ่งว่าเออเราก็ฝึกจิตของเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็พยายามแยกแยกการแยกจิตใช่ไหมคะออกออกจากกันเพื่อที่ทำความเข้าใจในเรื่องของจิตเราแล้วก็กายเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดติดกับบุคคลหรือสิ่งรอบข้างทีนี้ใน เมื่อเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วก็คือกลายไปอ่ะใช่ไหมคะอืมจิตจิตมันก็ไปตามที่ต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องกลับมาเจอแบบอย่างเงี้ยจิตคนข้างๆอีกหรือเปล่าซึ่งในความในความคิดเองเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดจิตนี่ยไปคิดว่าจะต้องมานั่งเจอกันอีกมันเป็นกิเลสเปล่าค่ะอยู่ที่เราอยากหรืไม่อยากถ้าอยากก็มันกิเลส ถ้าเราไม่อยากถ้าถ้าจะเจอก็<บ>จเจอไม่เจอก็ไม่เจ อ, เจ อ, เจอก็เป็นไปได้ทั้งสองก็เป็นไปตามธรรมาชาติใช่ไหยคะ่ะอืเราอาจจะนึกได้ถามด้วยอัน จ, จะไปเจออันนี้ก็เปล่านึก อ, อันนีของเราเนี้แต่ถ้าไม่อยากจะเจ อ, อนี่ก็ก็เป็นกิเลสไม่อยากจะเจอก็เป็นกิเลสก็อก็คือปล่อยไปเฉยเอย่างกับคุณแม่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจออันนี้มันก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากจะเจอแล้วไม่เจอก็จะทุกข์ ถ้าไม่อยากจะเจอแล้วไปเจอก็ทุกเพรพดีเพื่อเราคิดในวันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นความกังวลอยู่แล้ว<น>ใช่ไหมคะว่าเอ้าวทำไม<น>จะต้องไปเจอบพบชาติหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทากรรมทำบุญมาไม่เท่ากันนะควบคุมไม่ได้หรอกมันเป็นหน้ต่างมันเป็นสภาวะทีนเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจ อ, เจอกค่นั้นเองเจอก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าเป็นใครไม่แน่ถ้าเราระลึกชาติได้ก็าจจะจำได้ ก็คิด <collabor> ว่าอยู่ในในภพชาติเนี้ให้ให้ดีที่สุดใช่ไหมคะภพชาติหน้าเป็นไงก็เราก็ไม่รู้อ่ะก็รู้ถ้าเราทําวันที่ดีมันก็ดีตามมันก็ดีต่อมีที่การกระทํำของเราเขาทำให้ดีที่สุดถือศีลปฏิบัติทำไปของเราอืทําจิตของเราให้มีกุศลมีเมตตา ให้จิตเราไม่ทุกข์กับอะไรให้จิตเราสงบสบายอะไรก็ได้อโอเคนะครัรบโอเคไปที่เป็นสุภัตาตาต่อยังไม่ได้กลับเท็กซัสยังอยู่กอตม อ, อยู่นะประท้วงทางเองกมารนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอกใจทำไมวันนี้วันนี้เร็วเข้ามาเร็วนะเข้ามาเร็วกว่า สงชัยแล้วค่ะลูกลูกเปิดโควิดเจ้าค่ะเพราะอาจารย์ตอนนี้พรุ่งนี้ก็กินยาชุดสุดท้ายเจ้าค่ะอาการเป็นยังไงรุนแรงไหมอาการก็ไม่ไม่น่าจะรุนแรงนะเจ้าค่ะก็มีมีเอ่อหายใจไม่ค่อยออกแสบคอเจ้าค่ะแล้วก็มีประมาณนั้นน่ะเจ้าค่ะก็ด้วยว่าที่ปรับ พระอาจารย์สอนให้ฝึกทุกเวเเออ่วลานั่งสมาธิและให้ผ่านเวทนาก็เลยเอามาใช้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันมันมันเบากว่าตอนนั่งสมาธิอ่ะเจ้าค่ะมันเบามันไม่เจ็บนเจ้าค่ะรู้สึกว่ามันมันเบารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหนักเท่ากับตอนที่เราฝึกนั่งสมาธิเพื่อที่จะที่จะผ่านเวทนาเจ้าค่ะก็เลยแบบ เวลาหมอตอนแรกเขาก็จะไม่ไม่รักษาเพราะเขาบอกว่าไม่เห็นมีอาการอะไรเจ้าค่ะแต่ไข้ขึ้นแต่ก็บอกเพราะว่าช่วยตรวจหน่อยเพราะว่าพี่สาวเป็นโควิดนะเจ้าค่ะเขาก็เลยตรวจให้เจ้าค่ะก็พอคําสั่งสอนของพระอาจารย์แล้วก็การฝึกทําให้ทําให้ทุกอย่างมันดูว่ามันมันมันไม่ธรรมดามันธรรมดามันธรรมดามันธรรมดามากเจ้าค่ะ แล้วค่ะก็กินยาตามที่ที่หมอจัดให้เจ้าค่ะก็พรุ่งนี้ก็ครบวันก็ก็เสร็จแล้วเจ้าค่ะอแล้ว อ, นนอาการเกือบจะหายหมดแล้ใช่ไหมน่าจะหายหมดแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> คือปกติจะหายใจไม่ค่อยออกตอนกลางคืนเจ้าค่ะลูกก็จะใช้วิธีนั่งสมาธิแล้วก็ นั่งสมาธิแล้วก็ฝึกลมหายใจทำโยคะไปอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่คืนนี้พอหายใจออกเจ้าค่ะรู้สึกว่าห้าวันมันเร็วมากแล้วห้าวันเนี่ยมันเป็นวันที่แบบลูกได้มีเวลาปฏิบัติไม่มีใครมายุ่งกับเราแนะ่ใช่พ <laughs> ูว่ามันดีมากๆนเวลาเราเราเจ็บเวลาเร า, เร า, ต, เราตายไม่มีใครกล้าเข้ามาเรา มันมันเป็นเวลาที่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาแห่งช่วงของความสุขมาเราเราเหมันมันห้าวันโดยเป็นอะไรที่บอกว่าพรุ่งนี้จะหมดแล้วหรออะไรย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืาเราได้นั่งฟังเทได้นั่งสมาธิได้ปฏิบตัติมันมันรู้สึกมีความสุขเจ้าคะ่ะนี่เรีว่าพลิกพลวิกฤตเป็นโอกาสนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะคําสั่งสอนของพระอาจารย์ลูกนํามาปรับใช้ในในช่วงระหว่างที่อยู่ที่อยู่เมืองไทยเจ้าค่ะลูกก็ได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการละแล้วก็อุดเบกขาเจ้าค่ะลูกลูกรู้สึกว่าได้นํามาปรับใช้แล้วก็มันมันเหมือนกับเอาเทคนิคเอาวิชามาใช้ในชีวิตจริงนะเจ้าค่ะเราเราไม่เจอข้อสอบเราก็ไม่รู้การบ้านที่เราทําว่ามีประโยชน์อย่างไร อาจารย์เจ้ามาเจอข้อสาบมันทำได้หมดนะเคยทํามาแล้วผ่านเจ้าค่ะไม่ว่าสถานการณ์ไหนหรือเหตุการณ์อะไรเจาา้าค่ะมันทําให้เรามันทําให้เราได้เอามาใช้ว่าเราทันหรือเปล่าแต่ละเหตุการณ์นะเจาา้าค่ะก็ก็รู้สึกรู้สึกกบขอบพคุณพระอาจารย์เจาา้าค่ะเดี๋ยวพูดหน้าลูกบินกับเท็กซัสเจาา้าค่ะอาจจะไม่ได้เข้าซูมเจาา้าค่ะโอเคกลับขอบคุณพระอาจารย์เจาา้าค่ะ ยาสาวตัวคุณหมอภาสนาต่อคอทมมอเหมือนกัน่ะกรับนมันสการกับพระอาจารย์ค่ะก็ยังรักษาใจได้สม่าเสมอจากมาจากมาวะที่วัดนะคะก็ยังต่อได้สม่ําเสมอก็ปฏิบัติไม่ได้ลดลงเลยนะพะอาจารย์ก็ตื่นตีสี่เหมือนเดิมเอ้ยตื่นตีสมเหมือนเดิมตีสามตื่ีห้านั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกลมตอนนี้ก็ลงไปเดินอย่างที่เดียนพระอาจารย์เดินในป่าเสียไว้เวลาเขาเข้าไปที่วัดเขาที่บ้านจะมีต้นไม้เยอะนะะเป็นเป็นป่าเหมือนกัน แล้วก็ฟังเทศหลวงพ่อที่พระอาจารย์ให้มาแล้วก็ปฏิบัติตัวตามชีวิตประจําวันแต่ว่ารักดูใจไว้ตลอดอแล้วก็ตอนบ่ายก็ฟังพระอาจารย์นั่งสมาธิค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งสมาธิต่อแล้วก็เดินจงกรมปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ยังไป่ทิ้งเป็นการสะสมอาวุธไว้เดี๋ยวเวลาเจอข้าศึกศัตรูจะได้มีอาวุธไว้ทําลายข้าศึกศัตรูได้ มันเป็นเหมือนตาหางนี่ไงตาหางก็เป็นนักลบพร้อมนักลบต้องเตรียมพร้อมมีแต่การพูดประทับใจนักลบอนักลบก็พิเรนจนกว่าค่าเสศัตรูเ้าหมดแล้วเราก็เราก็พักพักลบได้ต้องเตรียมพร้อมอาวุธปืนไม่ตลอดค่ะอาจารย์แต่ว่าขับรถเนี่ยเห็นชัดๆแล้วครัอาจารย์คือแบบมันสงบลมเย็นแม้กระทั่งขับรถคือรู้สึกเลยค่ะครัอาจารย์ค่ะแล้วก็แฟนเอพี่หนุ่มอะค่ะพี่หนุ่มก็ตื่นก็ ตัวเองปกติก็คือสิ้นแปดใช่ไหมคะแล้วก็กินมือเดียวพ<ม>ี่หนุ่มตอนนี้ก็เริ่มกินสองมือนะคะแล้วก็สิ้นแปดบรทุศแล้วก็ตื่นมานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงได้แล้วนะคะตีสี่ก็เห็นแล้วนั่งอย่างเขาก็ตื่นมาตีสี่ตีสี่ถึงตีห้าค่ะแล้วก็เป็น<ด>ตัวอย่างที่ดีสำหรับแล้วไม่ก็จะเขาก็ไม่มีใครไม่มีใครหนึ่งเขาทำแล้วก็มีคําถามนึงค่ะคุณพ่อฝากถามดูคุณพ่อจะไปหาพระจามาละทิศนะคะเดจะไปาไปคุณพ่ออยากเริ่มปฏิบัติแล้วว่ะค่ะ ก็คุณพ่อเนี่จะสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์สวดมนต์ในห้องพระทุกวันคุณพ่อฝากคําถามมาเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าจะยังจะเริ่มภาวนาให้เริ่มที่ไหนคุณพะ อ, อันนี้ฝากถามนะเดี๋ยวจะไปเปดือนคุณพ่อฟังอย่าให้พระอาจารย์ตอบส่วนมนต์เสรก็ภาวนาะต่อเลยนมนต์เสรก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเขาออกไปมีเข้าพุโทโธพุทโธไปพุทโธไม่ต้องใช้สองอย่างรวมกันแยกกันได้ พโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ง<ล>่ายกวราหลจัลจากที่คุณพ่อใช้อ่านคือต้องต้องท่องบทส่วนไหมคนะหรือว่าใช้อ่านแล้วคุณพ่อจะสวดโดยใช้เปิดแล้วก็อ่านทุกวันนะคพ่อไม่เป็นไรอ่านเสร็จแล้วสวดเส่็จก็ปิดทั้งเสมาก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูท่องพุโทโธคําเดียวไปหรือดูลมหายใจอย่างเดียวไปไม่เชื่อจะนั่งได้นานเท่าไหร่พยายามหยับปล่อยหยล่อยให้ใจชิด บังคับให้อยู่กับพุโทโธบังคับนี้คือให้อยู่กับลมอย่างได้อย่างหนึ่<า>งตามใจก็คุณเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอกพระอาจารย์แล้วก็จะเปิดให้คุณพ่อฟังดูให้แล้วคุณเพราะเวลามีซูเดีย๋ยวคุณพ่อตอนนี้ก็จะเปิดให้ท่านดูอแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปวันอาทิตย์นะพระอาจารย์ไปทั้งครอบครัวขอบพระคุณข้าขอบพระคุณท่าไปที่ชายนาคคุณสาธกาน้ำท่วมไว้ยัง มาที่ร่วมค่ะพระอาจารย์ยค่ะพ น, นะอาจารย์มาฟังคำค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวลูกขออนุญาตออกไปฟังข้งน อ, นอกค่ะเพิ่งกลับมาจากปาป่าได้ จ, าจา้ะตาสบายค่ะค่ะครับนะโอเคอยังไปที่ท่านต่อไปเลยคุณนิสาจากจแอลเอกลับน้ำมศการค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์แล้วการปฏิบัติอาทิตย์ที่แล้วลูกรู้สึกว่าต้องกราบขอขอเพระคุณพระอาจารย์ค่ะที่พระอาจารย์ให้ลูกแบบเจริญสติตลอดเวลาค่ะให้ฝึกเจริญสติมันทําให้ลูกสามารถเข้าสมาธิได้ดีอ่ะค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนลูกก็จะต้องสวดอิติวิโสแบบหลายๆจบค่ะตอนนี้สามจบก็สงบแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะ แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงมีวันหนึ่งที่แบบลูกสามารถเหมือนกับมาสงบมากจนทําให้แบบมันดิ่งเข้าไปลงไปลึกทําให้ลูกรู้สึกว่าทุกอย่างหายไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนกับมีความสุขมากมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็สามารถเห็นตัวรู้อย่างชัดเจนค่ะพระอาจารย์ แ, แต่ขาพระอาจารย์ แล้วครั้งนี้ยเป็นความรู้สึกที่ว่าลูกลูกรู้สึกว่าแบบเหมือนมันมันความคิดมันหายไปแล้วตัวรู้เห็นอย่งชัดเจนแล้วสามารถโฮได้แบบประมาณลูกว่าสักพักหนึ่งค่ะห้านาทีอะไรอย่างนี้นะคะพระอาจารย์คือไม่ตกใจเหมือนครั้งแรกค่ะพระอาจารย์ครั้งแรกครั้งแรกนี่แบบมันตกใจตัวเราแบบถอนออกไปไไแล้ว ทำลายของชีวิันนะค่ะแล้วก็แบบไม่เห็นตัวรู้คือตอนนั้นมันตกใจมากแล้วก็ลืมตาแต่ตอนนี้ลูกลูกพยายามโฮไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบรู้สึกแบบปิดติดมากค่ะอาจารย์รู้สึกอัะจัรย์ตามที่พระอาจารย์บอกค่ะพระสารตอนเวลาจิตมันแสดงอาการอะไรก็ไม่ต้องไปตื่นตกใจให้รู้เฉยๆนี่มันก็เดี๋ยวมันก็เน่งไปค่ะพระอาจารย์ก็มารายงานพระอาจารย์ค่ะและลูกก็พอหลังจาก รู้สึกว่ามันถอนขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้ออกจากสมาธินะคะพระอาจารย์คือคือก็ก็กลับมาสู่ความสงบแต่มันอยู่ในระดับรัศมีของตกของตรงนั้นนะคะพระอาจารย์มไม่รู้จะอธิบายยังไงและลูกก็นั่งสมาธิต่อไปอ่ะคะ่ะก็ยังแบบมีความสุขแต่หลังจากนั่งสมาธิะคะ่ะพระอาจารย์ลูกก็มาคิดว่าเออมันก็เป็นจิตตรงนั้น เหตุการณ์ตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะพระอาจารย์เพราะเดี๋ยวมันก็มันเป็นอดีตไปแล้วพระอาจารย์อย่าไปนึกถึงมันกลับมาอยู่ปัจจุบันมันจะนัสติต่อพุนโทพุทโธค่ะพระอาจารย์มพอรู้กลัวว่ารู้จะไปติดกับตรงนั้นนะคะก็อย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงมันมันผ่านไปแล้วพระอาจารย์รมันหายไปแล้วมันหมดไปแล้วค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมคะสมาธิตรงนั้นนะคะค่ะ ก็เลย ร, รู้สึกค่ะพอาจารย์แล้วล wa ูกก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกจะไปติดจุตรงจุดนั้นนะคะพระอาจารย์มันก็เวลานั่งนั่งต่อไปพอไปหยากมันก็แสดงว่ามันติดแล้วอย่าไปหยากค่ะพระอาจารย์นั่งแล้วก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็ดูโนมไปพุทโธไปเหมือนเดิมของเรามันจะได้ไม่ได้ก็มันแล้วแต่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันการเจริญสติในระหว่างวันมันช่วยได้มากๆเลยค่ะพระอาจารย์ ช่วยหยุดความฟุ้งซ่านในการนั่งสมาธิค่ะอาจารย์เหมือนกับมันสงบสบายค่ะอาจารย์ตรงการทํำสมา้ว อ, อยู่ในระดับการทําสมาธิอยู่ยังไม่ต้องไปสนใจทางปัญญาเพราะการทางปัญญามันต้องใช้ความคิดมันใช้ความคิดแล้วเนี่ยมันก็ยังมาทําให้การทําใจให้สงบปัญญากค่ะอาจารย์ต้องฝึกสติต้องฝึกสติให้แล้วะทั่งมันมีสติ เราสามารถเข้าสมาธิได้จนชำนาญแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปค่ะพระอาจารย์ลูกก็น้อมนำปฏิบัติแล้วก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์โอเคดีสาธุจ้าค่ะกราบขอบนมามรกับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะยหงนเขาบอกว่าช่วงนี้เรเอยังร้อนอยู่นะไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ะอาจารย์ก็ก็ร้อนอ๋ออาทิตย์ที่แล้วร้อน ร้อนค่ะทิตที่แล้วร้อนแต่ตอนนี้เริ่มเย็นขึ้นแต่ว่าตอนเช้ามันเย็นนิดนึงค่ะอาจารย์ทงจริงมันควรจะเย็นมากกว่านี้ใช่ไหมก็ตามปกติใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์มันรู้ปู่ว่าๆค่ะอาทิตย์ที่แล้วร้อนอาทิตย์ที่นี้อาทิตย์ที่แล้วเย็นอะไรเนี้ยค่ะมันไม่แน่ไม่นอนค่ะพระอาจารย์อืมโอเคค่ะจุ๊งค่ะสาร์ทุกค่ะไปที่พัทยาคุณจอยจอยเป็นยังไงมันขึ้นของหป่า ขายค่ะขาดีไหมก็เออแล้วแต่บางวันค่ะวันก็ดีวันก็ไม่ดีค่ะหนูก็ทําเหมือนเดิมค่ะนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ค่ะทําบุญใส่บาตค่ะให้อภัยแผ่เมตตาค่ะให้อภัยแผ่เมตตายาอมหยุดเย็นค่ะอ่าค่ะอย่ไปเาพยเอาชนะกันนะยอมแพ้ค่ะแด้ค่ะค่ะโอเค ค่ะขอบคุณค่ะคุณนาลิกากลับถึงบ้านแล้วเลยไปอยู่วัดสามวันสี่วันกลับนั่งมัธการแคกผ่านผ้ากันตอนนี้ก็กลับมาแล้วใช่ค่ะก็กลับมามแล้ก็วันนี้มาพักอยู่กับแน่อีกอีกหมูหนึ่งก็ล่อลูกกันอยู่หมูสี่แต่แ ม, ม่อยู่หมูสาแม่อยู่หมูสี่ตอนนี้ก็เลี้ยแม่แลนะ้วแล้วก็คิดว่าไปเจริญสติมานะครับผู้การ ทำให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ามากมายว่าเป็นข้างแรกของพวกที่ต้องไปอยู่ในเรือนภาวนาที่ที่ต้องอยู่ในในห้องนะคะพรอาจารย์แต่ลักษณะหนึ่งก็คืออาชิพอดิดของเราด้วยว่าจะให้อยู่ในห้องนั้นอยู่ไม่ได้ะคระอาจารย์ต้องไม่รู้เป็นทพราอะไรแต่จะมาเดินอยู่ข้างนอกพอมาเดินข้างนอกมาเดินจงของข้า ง, งนอกนะะัาา้ะอาจารย์ใจมันก็คิดว่าถ้าอยู่ในสว่างก็สว่างสว่างมาแล้ ว, ลวเรา เรากล้าแต่ถ้าไปอยู่ในมุมมืดมันจะมีมืดนิดนึงเดือนสองถ้าะก็ไปอยู่ตรงนั้นก็เราจะเห็นว่าความคิดของเรามันกระเพื่อมเมื่อมีเสียงอะไรเราก็ต้องแบบอยากจะหันไปดูเดนหนึ่งแต่ว่าก็ลักษณะึ่งอาการที่เพื่มขึ้นมาอย่างเห็นชัดเจนก็คือเดินจะเร็วขึ้น การเดินของเราก็อยเรียนรู้วยเออนี่การเดินเร็วขึ้นก็นึกย้อนหอนูว่าเราอยู่บ้านเราก็ต้องทํางานคือปลูกผักปลูกอะไรนะจยกดินจุกเลยก็คือการเดินต้องใช้กําลังต้องใช้ในตรงนี้ก็คือบอกว่าฝึกสีมริกาม ร, ริกาต้องฝึกให้ได้ว่าให้มีสติพุทโธอยู่ตลอดก็เลยก็ฝึกก็ล้มลุกคลานบ้างก็แต่ว่าก็ได้เยอะมากก็คือให้รู้ว่าหนู่ข อ, ของความหี่ ความหิวจับ ก, กันได้กลิ่นของข้าวหลามทรมานใจมากที่สุดเลยเพราะการทรมาณใจมากทรมาณใจตรงนี้ก็คือตรามันช่วงเย็นเราสี่สิบแปดหรือว่าหีแต่ว่าแต่ถามว่าเป็นลักษณะของหิวความอยากของท่าอาจารย์ตรงนี้ที่ว่าพอพอว่าพอติดแอร์ปั๊บกลิ่นของข้าวหลาง ม, มันจะไม่ไม่คุ้งออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบเนียบหายตึ๊บไปเลยเราไม่นึกถึงข้าว้าหลางอีกเลย น <L an> ี่พยายามหยุดความคิดให้ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> แล้วก็หนีจางนี้พระอาจารย์ก็คือจะเล่าอีกอย่า ง, ง, าาาา ง, งว่าตอนที่ไปเกิดความโลภที่พูดกับพระอาจารย์ว่าเกิดความโลภคือหนังสือนั่นตัวเองก็อยากอ่านก็จะเป็นอันแบบเป็นครูนะอยากก็เห็นหนังสือก็อยากอ่านมากแต่ใจเงงนีงก็บอกว่านั่งสมาธิก่อนสนั่งสมาธิก่อนแล้แล้วก็เนี่ยก็ก็มาเห็นกันเลยว่าอเองนะ เ่องที่เราอ่านหนังสือเราอ่านให้เต็มที่ไปเลยอ่านจับใจความสําคัญให้ได้จกดบันทึกอะไรก็ให้ได้ทําให้ได้แล้วก็เราไปฝึกการเดินการเรีนสติหรือว่ามันเป็นอย่างไรก็มันก็สามารถเรียนรู้ได้สําหรับขั้งแรกที่ไปเจ้าขาบ้านจ่าโอเคสาธุจ่าจ่าสาธุเจ้าขาบ้่าไปที่แม่เมแลนด์ิงจิ้มมิงจิ้มนะ การนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินยอมไหมคะอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะอ่าสบายดีค่ะยมก็เมื่อวานนี้ก็โดนกิเลสตกเป็นเหยื่อไปนิดนึงพอดีที่ทํา ง, งานยุ่งๆเราก็จะมีแบบคนที้เขาเป็นหัวหน้างานนิดนึงเขาก็จะเรื่องเยอะมากมากเป็นพิเศษหน่อยนะคะยอมก็แบบอ๋อเราก็นิ่งแล้วนะผู้โทรผู้โทนิ่งแล้วปรากฏ ช้างเช้ามารอบหนึ่งเย็นก่อนจะกลับอีกรอบหนึ่งวะนี่เธอจะไม่ให้ฉันพักนี่ จ, จิตใจเลยเนี่ก็ <laughs> เลยแบบอืก็เลยเธอไปหาสลินทอนโยมก็สัแบบเล่าๆล่ า, ล า, ลาอพอตารางคิดได้เออสรุปว่าทั้งคอนเวอร์เซชั่นของเรานี่เป็นเรื่องของผู้หญิงคนอื่นหมดเลยนะเนี่ยโยมก็โ อ, อ, อขอโทษขอโทษไม่แน่ไม่น่าเอามาพูดเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็ <laughs> เลยต้องเราของไซคงต้องเรียกสติกลับคืนมาให้เร็วมากกว่านี้ค่ะอาจารย์ก็จะ ค่ะเราจะปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ยมคําถามก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราละสั่งฐานไปแต่สิ่งที่เราเอาไปได้คือจิตของเราเหมือนถึงคือถ้าเราฝึกจิตให้ดีต่อให้เราไปอยู่ในร่างไหนเกิดใหม่อีกกี่ชาติก็จิตมันก็มันเหมือนจิตมันก็จะดีตัวเดิมจิตไม่ได้ไปไม่ได้เปลี่ยนไปเคยทําอะไรมาใกับจิตเท่าไหร่มันก็จะมันก็จะเป็นอย่างนั้น ค่ะมันก็เท่าเดิมแต่ถ้า<ม>เราทําเราไปเกิดใหม่แล้วเราทําแบบเดิมแล้วเราทํามากขึ้นมันก็จะดีขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นใช่ไหมคะมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะอ่าจนกระทั่งเรากาจะถึงนิพพานเท่าสักวันหนึ่งใช่ <c oughs> ใช่ไหมคะไม่ต้องไปเริ่ม <c oughs> ที่ต้นเราไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่อะไรที่เราทําได้ในใจเราเราทาต่อหน้า ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับข้าวของเงินทองเนี่ยเราไปเริ่มไปเกิดชาติหน้าก็ต้องไปเริ่มต้นกิจสุนหม่ไปหาใหม่ค่ะค่ะเพราะเพระคุณขายมว่าเดี๋ยววันนั้นเห็นสลินทรพูดถึงพระอาจารย์ดิกที่ยูเวอจิเนียผมยมว่าเดี๋ยวอาจจะเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าได้ยังมีโอกาสอาจจะพาลูกๆไปกับท่านแต่ว่าต้องขับรถไปเกือบสี่ชั่วโมงเลยค่ะจ้ะต้องขนอาหารในเขาที่นั่นเขาไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่ ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะเพราะที่มอยู่ในป่าแล้วก็ซื้อของมาให้เขเก็บไว้ในลองครัวได้ของเก็บใช่ใช่ไหมคะโยไม่เคยไปเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกับว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะออกวันเสาร์กลางคืนแล้วเอาลูกๆไปนอนค้างโรงแรมตรงนั้นหรือยังไงอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบบสายมากไม่ต้องตื่นเช้าใช่ค่ะกลัวว่าถ้าเกิดสมมุติโยออกจากบ้านแปดโมงเช้ามันจะไปถึงประมาณเที่ยงนิดน่ะค่ะก็เกือบเที่ยงประมาณเที่ยงอะค่ะ ก็เลยกลวว่าจะช้าไปค่ะนล้วถามแล้วถามว่าถางว่าเขาสะดวกให้เราไปตอนไหนใช่ค่ะเดี๋วโยมว่าโยมเพิ่งไปหาเจอที่อยู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะโทรไปถามเบอร์โทรค่ะอืมอาจารย์อาจารย์รู้จักท่านใช่ไหมคะเนอะเคยอยู่ที่วัดป่ามั่นตั้งด้วยกันอ๋อครอาจารย์อาจารย์ท่านเป็นเคยเป็นพระอุปถัมภ์ของหลวงตาด้วยอ๋อล่ะค่ะอาจารย์ กับพ่อคุณค่ะนั้นวันนิยมไม่มีอะไรรบกวนพระอาจารย์แล้วค่ะและอยากไปยินเสียงพระอาจารย์ค่ะคุณสิรินทรนั่งอยู่ข้างๆก็ดีเลยน้ำกานัดกันเลยนัดกันเมื่อกี้เข้าห้องกลนแลวเข้าเร็วอะไรก็เลยแบบว่าเออนี่เสียงเขาอยู่ด้วยเหรอคะเขาเข้ามาแล้วเราต้องปิดเขาเข้ามาแล้วโอเคสิรินธรเชิญ นักวัสการพระอาจารย์ค่ะนัดกันเข้ามาพร้อมกันจะดูจะดูว่าได้เข้ามาอสัมทนากับพระอาจารย์กี่โมงค่ะก็ช่วโมงเลยมาพอดีค่ะพระอาจารย์ยมก็ก็ถ้าจิบไปยมก็คงตามไปด้วยอ่ะค่ะอืจะได้ไปทําบุญด้วยกันร่วมกันทําบุญพระอาจาย์อาทิตย์ที่ผ่านมายมก็พิจารณาถึง เรื่องราวที่ว่ายมก็มีเรื่องทางเกี่ยวกับลูกอะคะ่ะว่าเหมือนเขามีอาการที่เป็น Panic Attack เกิดขึ้นที่โรงเรียนแต่อาการที่เขาว่านี่คือเหมือนกับว่ามันมันเป็นการซ้อมกีฬาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เหมือนมีการประทะอารมณ์กับโค้ชแล้วแล้วมันทำให้เขาเกิดอาการกลัวสุดขีดพอกลัวสุดขีดเขาก็ลนลานเข้าไปอยู่ในมุมมุม มุมหนึ่งของห้องยิงมอะค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้ไม่สามารถคือหายใจได้ไม่เต็มที่แล้วก็ไม่กลา้าไม่กล้าเรียกร้องหาใครอะค่ะพระอาจารย์โยมก็สอนคือโยมก็เป็นห่วงกลัวว่า อ, อ, อาการอย่างเนี้ยมันต้องมีการมันมันคืออาการที่ไรสติอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้ต้องเรียกสติกับขึ้นมา <Okay. S 2> ค่ะยมค <Okay. S 2> ือ <Okay. S 2> ทุกครั้ง <Okay. S 2> ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยยมก็จะให้เขาดื่มน้ำเย็นจัดๆเลยค่ะ mm hmm. เพื่อให้เขาดึงกลับมาหาตัวเขาเองแต่ mm hmm. เมื่อเขาอยู่นอกสถานที่ยงเงี้ยค่ะยมก็ยมก็บอกให้เขาหายใจอะค่ะพระอาจารย์บอกเขาให้เขาหายใจ mm hmm. แล้วก็ฝึกเขาบอกว่าจากนี้ไปทุกเช้าทุกเย็น mm hmm. เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ายมพูดไปในลักษณะของพุดโทเนี่ยเขาจะ mm hmm. ไม่รับยังไม่ยอมรับอะค่ะ เพราะป็นเรื่องศาสนาไปใช่ค่ะยมก็เลยบอกเขาว่าให้เขาสูดเข้าสูดออกแล้วก็แล้วก็ให้โฟกัสอยู่กับแค่อารมณ์ของการสูดลมหายใจเข้าออกอแล้วก็ให้ทำเท่าที่ทำได้แล้วยมก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังถึงสถานการณ์ในโรงเรียนของอเมริกาที่มันจะมีเด็กมันจะมีการกลาดยิงเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีหลานของเพื่อนยมที่รู้จักอะค่ะ เขาเสียชีวิตเพราะว่าถูกยิงในโรงเรียนนะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเพราะว่าเขาช็อกหลานของเขาเนี่ยช็อกเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรที่ลนลา น, ลานกลัวสุดขีดยมก็เลยเปรียบเทียบกันว่าถ้าลักษณะแบบนี้มันก็คือเท่ากับว่าเด็กคนนั้นก็อาจจะไม่มีสติอย่างสิ้นเชิงเหมือนในกรณีเดียวกันกับลูกยมยมก็เลยคิดว่าเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยการที่เราไม่สามารถ ดึงตัวเองกลับมาได้ในสถานการณ์ที่มีการตกใจกลัวโกรธหรือว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราเอ่อมันจะทําให้เราสูญเสียมากกว่าก็เลยก็เลยสอนเขาอย่างนี้แทนนะคะพระอาจารย์รรก็ฝกให้เขาใอ้ให้เขฝึกดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆช่วงไหนห้องว่างเรานั่งเฉยๆนั่งดูลมหายใจไปค่ะพระอาจารย์ก็เนี่แหละค่ะโยมก็คอยเตือนเขาเช้าเย็นโยมบอกว่า เอาแค่สิบครั้งก่อนเอาไม่ต้องนาทีนึงเอาแค่สิบครั้งก่อนแล้วก็ค่อยๆทำอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่ า, า ก, ก็คงเริ่มอย่างนี้เป็นเป็นต้นไปก็เลยกังก็เลยเหมือนกับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้โยมฉุกคิดขึ้นมาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาต้องเริ่มเตรียมตัวสอบ เ, อเก็บคะแนนเพื่อที่จะเตรียมเข้ามาหาวิทยาลัยอะอยค่ะ mm hmm. แล้วโยมก็เริ่มกังวลว่า ก่อนหน้านี้เรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะไรก็ตามที่มันมากระทบยมก็รู้สึกว่าใจเราจะพยายามหาวิธีการเพื่อที่จะไม่ให้มันจมอยู่กับความอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าหลีกเลี่ยงได้ยมก็จะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ยมก็จะใช้สติหรือไม่ก็ปัญญาในการล้างหลถ้ามันไม่ได้จริงๆกลับมาตอนเย็นนยมก็จะนั่งสมาธิ แล้วอารมณ์แตงในแต่ละวันมันก็จะจางหายไปแต่พอมาคิดถึงว่าเราต้องเริ่มเตรียมตัวให้ลูกเราเข้ามาหาวิทยาลายัยต้องเตรียมตัวให้เขาสอบให้เขาอ่านหนังสือต้องเรียนพิเศษมันเกิดความฟุ้งเข้ามาในใจอ่ะค่ะพรอาจารย์แล้วใจก็รู้สึกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ทําไปมันคือสมมุติแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะประสบความสําเร็จทางโลกที่ไหนมันก็แก้ถูกไม่ได้อะค่ะพรอาจารย์คือมันแว๊กเข้ามาในใจอ่ะคะ่ะ แล้วมันก็เกิดการขัดกันระหว่างความคิดนะคะว่าเราเหมือนเราหยุดที่จะแสวงหาแต่ในขณะเดียวกันเราต้องแสวงหาให้เขาอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันมันก็เลยขัดแย้งกันนะคะไม่ขันเราเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราสาคู่ขนานกันได้เรื่องเรื่องขงการ ดูแลร่างกายของเราเราก็ต้องดูแลไปต้องมีวิชาความรู้มีอะไรที่จะได้เป็นเครื่องมือในการทำมาห์กินเราก็ทําไปนะส่วนใจเราเราก็ต้องอย่าไปเครียดจะมันได้กันดีไม่ได้กันดีทําให้ดีทําให้มันดีที่สุดเท่านั้นเอง <c oughs> ถ้ายังต้องทําอยู่ <c oughs> ก็ทําไปถ้าไม่มีความจาเป็นจะต้องทําก็ไม่ต้องไปทำํำมันให้เสียเวลาค่ะก็ มันไม่ใช่ว่าที่เขาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันต้องทำทั้งสองอย่างทำให้ใจด้วยทำให้ร่างกายด้วยค่ะพระอาจารย์โยมก็จะสอนให้เขาได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าโยมรู้สึกว่าเราลองมาดูเขาก็ต้องก็ต้องหาวิชาความรู้มาเล็กตัวเขาอนใช่ค่ะพระอาจารย์ใแต่เราก็ไม่ต้องไปเครียดกับเขาจนเกินไปก็อยู่ที่ความความสามารถของเขาว่าเขาจะทำได้เท่าไหร่ ตรงที่อาจจะสอบเข้าโรงเรีนดีๆไม่ได้ก็ได้อืใช่ค่ะเราก็ไม่รู้อะค่ะยังก็ยังก็ไม่ได้คาดว่งไปวิทยา college ไปอะไรนี่ไปก็แล้วแต่เขาค่ะค่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนก็ไม่กังวลนะคะแต่เราก็เตรียมตัวให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้เขายอมรับนะค่ะไปสนับสนุนเขาอย่าไปผ่านด่านเขา อย่างบางครับเขาต้องทำต้องทำต้องทำที่ไมยได้ก็เพียงจะสนับสนุน่อยคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขาถ้าเขาไม่ทำว่ะถ้าก็ไม่ทําว่าช่วยไม่ได้อาชนาทิรานุนารถค่ะยงก็สอนอย่างที่พระอาจารย์สอนนั่นแหละค่ะก็ปีที่ผ่านมาเขาก็รับผิดชอบมากขึ้นดีขึ้นมากอาการเรื่องความพวกดิเพรสชันอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะ แต่อยู่ๆมันก็มันกําหนดไม่ได้อยู่ๆมันก็จะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะใช่มันมีเหตุมันก็ตุ้นมันก็ยมันก็ยังเกิดขึ้นได้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้กำลังมันยังสิ้นเชิงแล้วต้องเกิดขึ้นบ้างทำไปก็คอยแก้ไปค่ะโยมก็จะทําดีที่สุดแล้วก็จะสอนให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะไม่กังวลค่ะพระอาจารย์อ่ะ ต้องทำต้องสอนใจใจเรวก็ต้องรักษาไม่ให้ไปเครียดขออภัยเรื่องเมื่อกี้ปิดไมโครโฟนอาจจะไม่ได้ยินตลอด่เป็นตักเกียวเองค่ ะ, ะาอาจารย์พอดีต้องไอ้ต้องแอ้มา็เลยปิดหน่อยย้ำ ขอให้พระอาจารย์ทัดแข็งแข็งแรงนะคะอครับไ yeah, ม่เจ็บ <yeah. S 2> ไม่ป่วยนะคะพระอาจารย์ได้ก็ดี น, นะโยมทุกๆคนคอยฟังคําสั่งสอนของพระอาจารย์เป็นกําลังใจให้โยมในการปฏิบัติแล้วก็ให้ทุกๆคนมีความก้าวหน้านะค่ะพระอาจารย์อ <Yeah, S 2> กับ uh, ขอบ yeah, พระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะค ะ, yeah, ะถ้าได้ปฏิบัติก็เราก็พอใจนะถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติเราก็ต้เสด็จเหนื่อยแทน ยมทำเมื <sh arp inhale> ่อพระอาจารย์ยมตั้งใจไว้แล้วค่ะว่ายมจะไม่หยุดค่ะพระอาจารย์ยมมีครูดีสัยปฏิบัติบูชาบขอบคุณพระอาจารย์มากๆใหม่ที่เป็นมาเลบุตรกาศจากหลวงพ่อค่ะอ่าว่ามาปฏิบัติทุกวันจาแล้วก็เดี๋ยววัน สุขสา่นที่นี้จะไปเข้าวัดกัน อ, อืมเด็กมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ไปเลยไปไป อ, นะอีกไม่เวกนะครับองพก็ไม่ไม่นีําถามนะคะไม่ต้องถามเรารู้หมดแล้วอืม<ต>ยังยังยังยังไม่จบเลยทาให้มันปรากฏขึ้นมาในใจเราก็แล้วกันนะสิ่ ง, งต่างๆที่เรายังไม่มีก็ปัญญาที่จะคอยกำหลัดกิเลส น, นะ มันจริงๆแล้วมันก็มันก็จะมีอะไรมาให้ทดสอบอยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่อ อ, อ, อย่างแล้วอย่างช่วงหยุดเนี้ยค่ะก็มีเรื่องเหมือนแบบทําให้ไม่สบายใจอย่างอย่างเวลาเราเราขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยอย่างนู้รนมมเราเร า, เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทับสัตว์ให้มันตายหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเจตนานเราอยากจะลงไปช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า พอจอดรถแล้วรถขันหลังตามมาอย่างรวดเร็วทีนี้เราก็รีบวิ่งไปดูที่ตัวสัตว์แต่ก็สงว่าเขาตายแล้วอนะไรงี้หนมพรมันก็รู้สึกว่าเสียใจอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเสียใจก็จะมีความชิดให้มาตัดตัดให้ขาดว่าเออเราเราไม่ได้มีเจตานานะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มพอแล้วทีเนี้ยพอเราตัดความชิดจากตรงเนี้ยไปอ่ะมันก็ทําให้เออเราเราไม่ไปทุก ไม่สบายใจนะแต่แต่ทีเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าใจเราเนี่ยมันจะขัดความเมตตาไปหรือเปล่าคะช่วงที่เราตักไม่ให้รปชิบไม่ให้ไปสงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอมันจะกลายเป็นว่าใจเราไม่มีความเมตตามไหมคะถ้าเราไม่เมตตาเราก็ไม่ไปจอดแล้วก็ขับไปเลยมันช่วยไม่ได้ค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยเราก็เราก็เกมตตาไปดูแลไ ป, ไปช่วยกัาแล้วถ้าช่วยไม่ได้ก็จบ เราก็ต้องกลับมาอุเบกขาเฉยๆไปอพอพอคิดอย่างนี้ก็คือตัดตัดแล้วกลาเป็นว่าไม่ไม่ต้องไปไปอะไรอย่างเนี้ค่ะไปทุกสมัยไปทุกสมัยได้นะคะได้จากความทุกข์คะคือคือตอนแรกที่เจอเหตุการณ์เนี้ยมันก็รู้สึกนิดนึงค่ะหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ก็ตัดเลยเราเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไม่ช่วยหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะหลว ง, งพอ่อก็ อืมมันทําดีที่สุดแล้วทําสุดความสามารถของเราแล้วทําได้เท่านั้นแล้วก็จบคดีเห็นมันเป็นเป็นเนต่าอ่ะค่ะหลวงพ่อก็แบบส่ตามเขาอนะไรเงี้ยอืมเราก็ต้องช่วยเราด้วยเราก็อย่าไปทุกข์กับเขาเขาเราก็เราช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยเขาไปต้องทําทั้งสองอย่างช่วยเขาแล้วก็ช่วยเราด้วย ช่วยดูแลใจเราไม่ให้ไปทุกกับเขาแล้วแล้วพอวันเล้่ขึ้นหนูไปทำบุญอุทิศให้เขาอย่างเงี้ยมันได้ไหมคะหลวงพ่อได้ทําได้ช่วยเขาจะรับหรือไม่รับก็เลืองเขาอย่างนะเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่า <c oughs> เขาจะรับหรือเปล่าคก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ก็ได้ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> หนูก็ทําทําทาทุกวันแต่ว่าก็ส่งส่งเขาเรีเยกอะไรคะอุทิศบุญไปให้เขาก็แล้วแต่ว่าจะ ได้หรือไม่ได้ได้เรามีหน้าที่ส่งก็ส่งไปเขามีหน้าที่รับก็ปลไปเขารับไปเขารับแล้วไม่รับก็เรื่องของพ่าไปใช่ไนะใช่มพี่เจ้าไม่ค่ะทําเป็นที่ค่ะหลวงพ่อปฏิบัติวันนะปฏิบัติบูชานะหลวงพ่อกลับเขาก็คุณหลวงพ่อค่ะน่ะสาธุจ้ะ อันนคุณยินดีต่อยินดีแคนซัสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์จ้า <Yeah, sure. S 2> เชิญลูกกับเดวิดเข้ามากราดท่านอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะท่านอาจารย์ก็ mm hmm. คําสั่งสอนของท่านอาจารย์ก็นําไปปฏิบัติเ mm hmm. สมอค่ะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันเสมอค่ะอ mm hmm. สบายดีค่ะท่านอาจารย์<ม>ก็ขอพอบคุณท่านอาจารย์ในความเมตตาเป็นอย่างสูงสําหรับลูกหลานทุกๆท่านอะคะ<ม>่ะท่านอาจารย์ขอพอบคุณท่านอาจารย์อย่ญญางสูงกาต้าตะบอนซ<บ>องเต้เหมือนเดออขอบคุณคุณเดวิดด้วยนะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ยอไปที่ภูเกตคุณโอโอภูเกต การรำพละการพายจานเจ้าคะ่ะอ่าว่ามาเลยมีอะไรวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะพอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มีเจ้าค่ะพาจารย์เครู้อะอยากจะศึกษากฎระเบียบการขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเขาวไว้ก่อนอย่างนี้เจ้าค่ะพอาจารย์แต่ยังไม่ได้ขึ้นไปนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าอยากจะศึกษาไว้ก่อนนี่เฉยเจ้าคะ่ะก็ติมก็ถามคนที่เขาที่คุณติดต่อไปสิมาถามน้องาทาไมน้องไม่รู้หรอ ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อใครได้เพื่อนเจ้าขาวไพศาลก็คนที่คุณไปจองคุณต้องไปจองที่ภาคก็ไม่ใช่ก่อนาะไปลูกยังไม่ได้จองเจ้าขาพไพศารยา์แต่ว่าอยากจะศึกษากฎระเบียบการขึ้นไปปฏิบัติไว้ก่อนอะย่างนี้เจ้าค่ะ ก, ก็ไปศึกษ า, าคนที่เราจะไปจองที่ภาคกันคุณก็ถามว<า>่าสิก็แล้วแต่เราไม่รู้หรอกคุณคุณต้องไปจัดการเ่องนกันเอาเองที่นี้ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นที่มาคุยเรื่องราวเหล่านีา้ เจ้าค่ะเข้ามาเจ้าค่ะเคราะว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะฝึดเจริญสติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์รลบุคคลานไว้เจ้าค่ะโอเคแล้วเขาก็คืนเจ้าค่ะอ่าสาธุสาธุเจาคอาจารย์สายทิมวันนี้อยู่ที่ไหนขอนแก่นกล่าวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอนแก่นเจ้าค่ะ กลับกลัมาบ้านพรุ่งนี้ไปทํางานต่ อ, อว่าเช้าก่อนว่าเพื่อนเอาหนังสือธรรมะมาให้ค่ะพระอาจารย์เล่มหนึเป็นเรื่องสติปัฏฐานสีอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มสีขาวไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะก็เลยฟันเอนอะคือได้ฟันตอนเช้าค่ะก่อนจะสือ่อแต่แต่หนังสือที่สติปัฏฐานสีนี้จําได้เพราะว่าเคยเป็นหนังสือที่มีตั้งนานแล้วค่ะเป็นเหมือนเหมือนเล่มเดิม ของหลวงพ่อฤีษีลิงดําแล้วก็เลยจําได้ว่าเป็นเรื่องสติปัฏฐานสี่ค่ะก็เลยว่าเพื่อนบอกว่าก็เลยแซลวเพื่อนว่ารู้ว่าเราชอบปฏิบัติเลยออะไรเงรี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคําว่าสติปัฏฐานสี่โดยโดยสรุปอะไรเงรี้ยค่ะพระอาจารย์ว่า อ, อสติปัฏฐานสี่ก็คือคู่มือการปฏิบัติจิตตะภาวนานี่สามวิธีเจริญสติ เพอให้แล้ก็สามัคคีนั่งสมาธิให้เข้าฌานเมื่อได้สมาธิแล้วก็สามัคคีเจริญปัญญาให้พิจารณาคุณสมบัติของร่างกายของเวทนาของจิตนะเป็นคู่มือการปฏิบัติจิตตภาวนาทั้งสมถะทั้งมิปัสสนาภาวนาอยู่ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยคนจะเป็นควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคู่มือปฏิบัติจิตตภาวนาจนดีกว่า อรวมรวมทั้งหมดเลยเบ<ห><อ>ื้องต้นเราสอนให้เจริญสติให้มีความรู้สึกรอบตัวตลอดเวลาการเคลื่อ น, นไวหว ต, ต่างๆจะเดินจะนั่งจะทําอะไรก็ให้มีสติอยู่การเดินการ น, นั่งการทําอะไรตา่างๆเราเวลามันั่งสมาธิการ น, นั่งดูลมหายใจเข้าออกธรรมานานปันสติทำสองอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าจะได้เข้าฌานได้เข้าสมาธิได้ทุกเวลา จนถ้าเราชํานาญแล้วเราก็มาศึกษาคุณสมบัติของร่างกายว่าเป็นอย่างไรร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายนี้มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมถ้ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็มันก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วมันตัวเราของเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพียงแค่ดินนะ้ําลงไปเป็นแค่อาการ312 อันนี้ก็ศึกษาปไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายว่ามั น, นเป็นตามที่เราคิดหรือเปล่าเราที่ว่าเป็นตัวเราของเราจริงหรือเปล่าอืมค่ะออก็คือรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะพระอาจารย์ตั้งแต่สติสมาธิปัญญาจบเลย อ, อ่ปัญญาก็ไล่ไปทีละเรื่องเรื่องร่างกายแล้วก็ไปเรื่องเมทนาอ่าค่ะแล้วก็ไปเรื่องอารมณ์ ในจิตมันสรุปมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเราควบคุมบางครไม่ได้มันเป็นสภาวะธรรมเราทำได้ก็เพียงแต่ทันอยู่กับมันไปอย่าไปหยาดอย่าไปฝืนมันมันจะทุกข์ก็ต้องมันจะเจ็บก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าไปอยากให้มันไม่เจ็บมันก็จะทุกข์ งานกายมันจะตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่ตายใั่ไปมก็อยู่กับมันตายยอมรับความจริงว่ามันต้องตายมันก็ต้องตายมันต้องเจ็บมันต้องแก่อืเจ็บก็เจ็บตายก็ตายออารมณ์เราก็แปรปรวนไปเดี๋ยวก็ทุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนี่ก็เป็นอารมณ์แปรปรวนในใจของเราอ่า ก็คือก็ไม่ต้องทุกข์ใจกับอารมณ์ที่แปรปวนเข้ามามรู้ทันว่ามันก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์อือรู้รู้ทันมันใช่ไหมค ะ, ะรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปทำอะไรก็ปล่อยวางตอนอย่างละมักจะทำเนียพอเครียดก็ไปหาเหล้ากินกันไปหายูทูบดูไปหาอะไรกินกั น, <c oughs> นดีว่า <c oughs> มันเป็นของชั่วคราวเนี่ยมันก็ดับไปเองอค่ะแล้ว บางตอนเช้าหนูนอนแล้วก็พิจารณาให้เห็นตัวเองเป็นนอนกับโครงกระดูกค่ะพระอาจารย์ต้องกระใจตัวเองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็หัวกะโหลกกระดูกเนื้ออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อยู่ก่อสร้างศพทุกวันไม่รู้ตัวก็แบบอุ้ยใช่ค่ะเพียงแต่มานหายใจได้สร้างศพตัวนี้นอนนอนคิดให้พิจารณาตัวเองแล้วก็ ตกใจตัวเองนิดหน่อยค่ะวโอ๊ยตายแล้วนอนกับผีอยู่กับ ผ, ผีนะอยู่กับซากกัผีตัวเองใช่ค่ะก็เลยคิดไปคิดมาเดี๋ยวคิดแค่นี้ก่อนแต่ก็พยายามคิดอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็พยายามเวลาเราไม่หายใจนี่มีใครเขาอยากจะ น, นอนใกล้เราไหมไ ม, ไม่มีนะไม่ไม่แตกต่างกับศพเลยค่ะพระอาจารย์ไปถึงว่าถ้าเราแค่มันต่างตรงไหนมันแคหายใจแล้วไม่หายใจเท่านั้นเองพอไม่หายใจมันก็เป็นศพละ ก็เหมือนแค่เรามีตัวตัวหนึ่งที่เข้ามาบริหารจัดการให้มันทำ น, นู่นทำนี่จัดการให้มันทานู่นทานี่ได้เท่านั้นตัวนี้ไม่มีแล้วมันก็นอนเหมือนตุ๊กตา <c oughs> เป็นโสบไป <c oughs> กับพยายามพิจารณานแบบนี้เรื่อยๆก็เลย ก, ก็ก็สบาย <c oughs> สบายใจดีค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยกังวลอะไรมาก เหลือแค่กิเลสค่ะพระอาจารย์ไ <co ม่กังวลใจแต่ก็มีกิเลสที่แบบไหลไปตามกามราคะดูนู่นดูนี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ทุกใจกับเรื่องของคนมากนักอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่ค่ะค่ะก็อ่าก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ตันนี้ก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆสติน่าจะสําคัญมากๆ พออยันเพียงพอมตอีต้องทบใจบให้สงบให้เป็นสมาธิก่อนถึงจะมี ม, มีมีเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้กับพิเลนได้ก็คือสติกับสมาธิด้วยใช่ไหมคะใช่เจอเพื่อนทีไรลืมสติเลยค่ะพระอาจารย์หายไปอยาณพิเลนเลยคุยเ <ull ing S 1> สร<น>็จพอโอ้ยหายไปเลยเหมือนตอนแรกตั้งใจว่า เราจะต้องคุมเวลาพูดอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องมีสติตลอดพอเจอคำแรกหายไปจนจบเลยค่ะพระอาจารย์พอเลิกคือเสร็จโอ้ไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตั้งใจไหมค่ะอันนี้ก็คือเราต้องทำอะไรให้มันช้าลงเพื่อที่จะแบบให้มีสติตามตามทันไหมคะพระอาจารย์ไม่จำเป็นหรือว่าต้เร็วสติเราจิตแล้วมันเร็วกว่าร่างกายหลายร้อยเท่า ก็คือแค่ต <Rise S 1> ้องมีสติใช่ไหมคะอาจารย์ต้องคอยเฝ้าดูมันกำลังทำอะไรอยู่ค่ะโอ้หนูพยายามฝึกสติให้มากๆขึ้นค่ะตรงนี้ยังไม่ไม่ไม่ค่อยได้เลยค่ะอาจารย์หลุดเรื่อยเลยยังฝึกไปตั้งวันนะค่ะค่ะโอเคอีกแค่นี้ค่ะสาธุค่ะไปที่พนันอุดรธานีอ่านธรก้าระอาจารย์ เป็นสองขีดเหมือนกันค่ะติดโควิดนะคะครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยค่ะเรก็กราบขอบพระคุณคำสอนท้าอาจารย์มากมากนเจ้าค่ะขอให้หายเร็วๆนะผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะได้ทำมาทำมาอดสถมากๆเลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ด้วยเถิดค่ะไปคนที่กุลเกุลเลศรีราชา ทำา้ำมัสการพระอาจารย์ก็ค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามค่ะมาน้อมกราบแล้วก็ฟังพีๆ่ๆเพื่อนๆอ่าพยายามเตรียมทำมาเอาสนไว้นะอยู่แล้วรอบรอมันกํำเริบจะได้ไม่ไม่ไม่วุ่นวายใจโอเค่ะค่ะช่วงนี้ก็มันเหมือนปวดขาแล้วมันมันปวดแบบแปลกๆมันไม่เคยเป็นนะคะแต่ก็อถ้าเป็นหนูสมัยก่อนตอนนี้หนูก็วิ่งเข้าเอมไอ สแกนไปเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็คิดว่ามันก็ถ้าเรายังอยู่กับมันได้อ่อท่ามันไม่หายสักพักแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าพอเป็นปุ๊บคนยิมยิ้มขาหมอทันทีแล้วเราเป็นหมอของเราเองบ้างซิดูมันไปใช่ไหมเมื่อก่อนก่อนก็ปล่อยมันเป็นไปสักพักเดี๋ยวแม่กอาจจะหายได้เมื่อก่อนหนูวิ่งเข้าเครื่องแน่นอนเลยค่ะเข้าเครื่องแล้วไปดูมาไออะไรมันตีมันเป็นก็แบบ โอ้ช่างมันเถอะเดี๋ยวก็เว่ลาจับนิวอันีูบ้างก็ได้เป็นหมอทนวัดูก็ได้นวดบ่อยๆแล้วนะคะแต่มันก็มันเหมือนมันน่าจะเป็นเส้นพวกเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อมันอักเสบมากจะนั่งน้ำนั่งบ่อยนะคะแต่ก็ก็พิจารณาจ้ะคะ่ะคะ่คะยุกไม่มีอะไรนะค ะ, ะคะ่ะจ้ะเตียง คุณปานามเชิญคุณปนามอยู่ที่ไหนเพิเข้ามาครั้งแรการรมศาสการค่าพร ะ, ะอาจารย์หนูเคยเข้ามาสองครั้งแล้วค่ะเมืม่ออปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีค่ะอยู่ที่ไหนจะอยู่เซลมอริเกนค่ะหลวงพอ่อเซลมโอเคค่ะเคยเข้ามากราบหลวงพอ่อครั้งแรกเมื่อเดือนตุลา Mm hmm. อ่าตอนนั้นสามีเข้าโรงพยาบาลทำอบอบลูนค่ะ mm hmm. ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ดูก็ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อเป็นประจำแล้วก็ไปถือศีลแปดอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งบ้างค่ะแล้วก็ดีขึ้นปฏิบัติดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ฟังธรรมของหลวงพ่อทุกวันตอนนี้ที่วัดก็ มีหนูคนเดียวที่ถือสินแปดกับหลวงพ่อจเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็มีเรียกอะไรละ่ะคะมีทุกขเวทนาจากจากอาการเจ็บป่วยของร่างกายค่ะแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้ทุกก็ดูมันไปก็ฝึกแยกกายแยกจิตเราปวดหรือกายปวดหรือใจปวดเนี้ยค่ะหลวงพ่อ อถูกต้องไหวให้ร่างกายปวดไปใจไม่ต้องไปปวดกับมันให้รู้เฉยๆไป <c oughs> ย่างแคน์ไม่รู้เลยว่าปวดมาประมาณตั้งแต่อเข้าพรรษาเพราที่วัดมีงาน ร, ริวิสกรรมพระอาจารย์ท่านก็ขอให้ไปช่วยงานซึ่งปกติหนูก็จะไปอยู่แล้วก็เลยพอหลังจากงานวาัดเสร็จ ก, ก็รู้สึกปวดปวดหนักขึ้นหนักขึ้น ก็หยุดงานไปพักเนื้ค่ะหลวงพอ่อก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ระหว่างที่หยุดงานหนูก็ปฏิบัติไปด้วยก็มีสติอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นค่ะนี่มีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะถามไห ม, มไม่มีค่ะหลวงพ่อหนูปฏิบัติแล้วก็ฟังได้ความรู้จักพี่พี่ ผู้สนใจฝ่ายในธรรมในสูงก็เอาสิ่งนักเหล่านั้นมาปฏิบัติตามค่ะโอเคแล้วก็หนูจะไปกราบหลวงพ่ อ, อเดือนกรกตอไม่ใช่เดือนกรกตเดือนพฤศจิกาโอเคถูต okay. ้องวันเกิดหนูแล้วก็วันเกิดหลวงพ่อด้วยโอเควันเดียวกันนะค่ะหนูเพิ่งใช่ค่ะหนูเพิ่งซื้อตัวได้เมื่อวานนี้เองก็ mm hmm. ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าสามีดีขึ้นก็จะ เผาอากาศไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานซึ่งเป็นครั้งแรกที่หนูจะได้ไปอ่ะค่ะ่ยินดีกับก็กราบขอบคุณในความเมตตาของหลวงพ่อได้ชุบชีวิตใหม่ให้หนูด้วยค่ะกับนมาสการเจ้าค่ะไปที่รักสำเบอคุณปุ้ยกับนมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นยังไง คุณปุ้ยสบายดีค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยจะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าคุณปุ้ยปฏิบัติตามพระอาจารย์เอสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกวันจิตใจก็มันมันมันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเอเขาก็สบายดีเราไม่ได้คิดอะไรแต่มันมันเฉยจนแบบเหมือนมันเป็นเส้นตรงเลยค่ะมันมันเฉยมันไม่รู้สึกเสียใจมันไม่รู้สึกยินดีมันไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมัน แต่มันก็มันมีความปิติอยู่ข้างในแต่เราเรารู้สึกเฉยเฉยอ่ะยังเขาบอกว่าไม่แต่งหน้าทาปากได้เปล่าอาจารย์เวกอ่ามันเฉยเฉยไปนี่แต่เป็นแต่งหน้าทาปากไปยังยังหาอะไรทำอยู่อาจารย์ยังทําใจไม่ได้เลยเก็บเก็บเก็บตังค์ทํากระถินอยังไรสวยร่างงามอยู่นะ ค่ะอาจารย์เออคือคือเวลาที่เราแบบว่ารู้สึกไม่กระเทือนรู้สึกไม่ไม่ไปตามข่าวไม่ไปตามอะไรนี่คือเรามีเป็นคนมิไม่มีความรู้สึกหรืออะไรคะไม่นะเราเปสติมีปัญญาหรือว่ามันเปน็นเรื่องที่เราไม่จมําเป็นจะต้องไปตื่นเต้นตกใจมันไม่ต้องไปเป็นกระต่ายตื่นตูมจะรับรู้ไว้เฉยเฉยแล้วตอนโยมนั่งสมาธิเนี่ย คือคือโยมคือโยมจะนั่งคือไม่ได้ว่ารวดเดียว4ี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะโยมจะนั่งหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีอย่างเงี้ยเรามารวมทีนี้มันมันมีเมื่อวานเนี้ยกับกับเมื่อสมวันก่อนเพราะเวลาโยมอยู่ดีๆโยมก็นั่งคือมันจะมีมาอะไรเหมือนกับอะไรมาเตือนเราอ่ะเหมือนกับอะไรมันจะผ่านเข้ามาในหูวอื้อย่างเงี้ยและอันี้โยมจะรู้ว่าด้วยโยมด้วยตัวของโยมเองว่า เฮ้เดี๋ยวไปนั่งสมาธิก่อนนลโยมก็นั่งเลยพอไปนั่งตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับมันมีธาตุหรือมันเป็นพลังแม่เหล็กอะไรก็ไม่รู้มันดูดเข้ามาซูบก็เข้าไปรวมที่ตรงตรงจะเขอมันเป็นการที่เราเราคิดไปเองหรือเปล่าคะอาจารย์ก็รู้เฉยๆก็แล้วมันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอยังไงก็แล้วกันค่ะ แต่โยมไม่ได้ว่าเวลาที่ไปขอพระผู้เจ้าโยมขอให้โยมได้เจริญทางธรรมโยมได้เดินทางธรรมอย่างสะดวกสบายโยมไม่เคยขอว่าต้องขอให้ข้าพรเจ้าตรงเห็นนรกเห็นสวรรค์โยมไม่เคยขอค่ะขออะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเนะ่ะพระพเจ้าบอกให้ทําเองอใช่ค่ะ ต, ะตาเย็นานนาโถยงั้นย่าไปขอให้เสียเวลาพระพเจ้าบอกให้ปฏิบัติปฏิบัติบูชาได้แต่โยมน่ะศรัทธามากเพราะว่าโยมรู้ว่า สตาร์ก็สตาร์และศรัทธาแต่เรื่อมขอมันไม่ใช่ศรัทธานล้ขอเนี่ไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ขอพุทธเจ้าสอนให้ทาจะโยมตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้โยมได้เดินทางธรรมอย่างสงบก็จะขออยู่งั่นแหะบอกไม่ให้ขอให้ทําไปเลยไม่ได้ขออาจารย์ก็ไม่ได้ขอไงพูดไปยมพูดไปเมื่อกี้เขอให้ได้ทำ แต่มยมก็ยมก็ปฏิบัติไปได้เรื่อยๆแต่ยมไม่รู้ว่ายมจะถึงฝั่งเมื่อไหร่นะพระอาจารย์เอทําไปเรื่อยเดี๋วก็ถึงเหมือนพายเรือเนี่ยพายไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงฝั่งเองนะถ้าไม่พายนก็ไม่มีวันถึงจริงค่ะพระอาจารย์แล้วแต่ยมก็ตั้งจิตตั้งใจว่าเใกล้แล้วเนี่ยยมดีใจจังเลยเพราะว่าจ ะ, จ ะ, จ, ะจะออกพรรษาแล้ะยมก็อฏิบัติมาได้นะยมไม่ได้เกเรเลยเนี่ย โยมปฏิบัติมาได้ตามพระอาจารย์มาตลอดเลยอะ่ะอืเนื้อเป็นภาษาแรกเลยอะ่ะที่โยมแบบเอถือพยายามถือสินแปดแต่เอานี้พระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าโยมไม่แต่งหน้างั้นงั้นตอนช่วงตอนเย็นโยมก็ไม่ได้แต่งหน้าโยมก็ถือสินแปดอะไม่มันต้งทั้งวันสิร้อยเปอร์เลยมันจะไป ม, มันจะไปเลือกเวลาแต่งไม่แต่งไม่ได้ถ้าไม่แต่งมันก็ต้องไม่แต่งตลอดเวลาที่เราถือสินแปด และโยมบาปไหมเวลาสมมุติว่าติ่งต่างไงอาจารย์นีโยมก็คิดตามพอาจารย์ไงแต่ทีนี้พอถึงเวลาจนเย็นปุ๊บโยมไปสวดมนต์โยมเจริญเอภาวนาถือขอขอสินแปดรับสินแปดนะฮะและโยมก็บอกอพระผูธเจ้าบอกว่าตอนนี้โยมถือสินแปดแล้วนะโยมไม่ได้แต่งหน้าแหละและโยมก็ไม่ได้ไปเจอใครโยมไม่เพ้อเจอด้วยเนะี่ยอมีมีเปลี่ยนศินได้เวลาไปเจอคนหนึ่งก็ถือสินห้าแทนเียสลับกันนะ ทำไม่ไม่ค่ะบอดปกติแล้วยมก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเพราะวาาเวล า, า, า, า, าถือสินแปะมันก็ไม่แต่งหน้าไม่ไม่ว่าจะจะไปเจอใครก็ไม่เจอใครถ้าถือสินแปะมันก็ไม่แต่งหนะ้างั้นงั้นเอาเป็นสินเจ็ดตอนกลางวันก็นแล้วกันนะคะโอเคโอเคไ่ายสินเจ็ดโอเคใช่วราะอาจารย์คือคือมันเป็นปกติไหมเวลาที่เราถือสินแล้วเรารู้สึกว่า เฉยๆมันไม่อยากคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอยากมีโลกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นธรรมดาคนที่ถึงนฝึกสมาธิก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครอนแต่แต่ฟังธรรมนะคะยมฟังธรรมยมฟังพระอาจารย์อ่ายมฟังพระอาจารย์องค์อื่นด้วยแต่ว่ามันมันมันรู้สึกบอกว่ามันเหมือนอยากจะมีโลกส่วนตัวนะคะอ่าถูกต้องนะคนปฏิบัติธรรมทั่วไปก็อยากจะอยู่แบบส่วนตะัว ค่ะยมไม่มีอะไรแล้วค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะยมมากาบขอบพระคุณค่ะไปก็นคุยลำให้โดยมีงานใช้ตลอดชีวิตนะสาธุเจ้าค่ะน้อมรับพรเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปที่คุณตาชื่อไม่ได้อ่พัทยาคุณนิ้งคุณนิ้งเชิญคุณนิ้ง ก, ก, การมหการพระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะเชิญพระอาจารย์ช่วงนี้ช่วงนี้สติรุดสติร<ต><ห>ุดหน่อยส<ต>าม<ห>พระอาจารยเพราะว่า ม, ม, มีหลานเต็มบ้าน<อ>แล้วก็มีทั้งคนแก่ด้วยต้องได้ดูแลทั้งหมดนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็ ก็ยังได้อยู่แต่ก็เหมือนฝึกนะคะพระอาจารย์ฝึกใจของตัวเองนะคะ่ะพระอาจารย์ให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้ น, นะคะ่ะอมันแต่แรกก็คิดว่าโอ้โหมารุ ก, กวนอะก็ไม่ต้องคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นการฝึกตัวเองก็แล้วกันก็มไม่รู้ว่าตัวเองคิดถูกหรือเปล่านะคะรับอาจารย์เราต้องไม่ไปวุ่นวายกับใค ร, ใค ร, ใ, ครใครจะมาใครจะไปก็ปล่อยเขาทาให้เขาไปก็ให้เขามาไปเราก็ต้องฝึกอยู่กับเขาไปเขามาก็าาาอยู่กับเขาไป ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ไม่อะไรก็คือทําตามหน้าที่อ่ะค่ะหนูคิดอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ไอดีที่สุดเพราะว่าไม่อยากไม่อยากไปคิดอะไรกับใครเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่ดีกับตัวเองด้วยอ่ะค่ะพระอาจารย์ทำให้เราสุขไปเปล่าใช่ขอบพระอาจารย์ก็เลยแบบอ่ะโอเคทําตามหน้าที่แล้วก็อมีอะไรที่เราทําได้ก็คือเราทําไปอะค่ะพระอาจารย์เพราะตอนแรกก็เหมือนแบบมั่งวุ่นวายอะไรเยอะคือเอ๊หรือว่าเราอยู่ กับตัวเรามันเจอะมากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เราค่ะพระอาจารย์มันก็อาจจะเป็นเพราะว่ากิเลสของตัวเองด้วยอะค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ปปใช่ไหมคะพระอาจารย์หนูก็เลยวางอ่ะคนเกศจะทําอะไรก็ทํอาอันเด็กจะทําอะไรก็ทําก็แล้ว ก, กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ปปก็ดูแลกันไปค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกนะคะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าเราอาจจะเออไม่ได้มากเหมือนเดิมแต่ว่าก็อาจจะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปฝึก กับการที่จะอยู่กับ <คน S 2> อ่อนคนอื่นข้างใช่อันนี้ ก, กระท บ, บอันนี้ก็เป็นปัญญาคือปัญญาไหมค่ะพระอาจารย์ก็พยายามให้แบบกระทบแต่ไม่กระเทือนอะไรประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ครับค่ะาพระอาจารย์ก็จะพยายามฝึกไปนะคะพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเราเห็นใจตัวเองว่าอ๋อก็เย็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่อะไรมาค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะหนูก็จะพยายามฝึกปฏิบัติ อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะพระอาจารย์แล้วก็ะไปล่อยวาปล่อยวางปล่อยวางครับพระอาจารย์ก็จะไปวัดเป็นปกตินะคะอาจารย์ทุกทีอ่าไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์อสาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์อภิสกนนครคุณพิชิตดาวนวัตสการพระอาจารย์ครับมีอะไรไหม ก็เอปฏิบัติอยู่ก็ออรายละเอียดก็ยังยังยังไม่รวมเป็นสมาธิพอาจารย์แต่ว่าสติก็ดีขึ้นอยู่ครับพอาจารย์อืมเพราะว่าพอาจารย์ให้ทําสติเยอะเนาะออแต่ว่าสติก็เวลารู้สึกมีความโกรธอะไรรู้สึกมันมีสติมาเบรกปึ๊กปึ๊กป๊กึ ก, กไว้มันอารมณ์มกล็ลดลงครับอาจารย์ได้ไแต่ตทีนี้อก็ออตอบสู้ต่อสู้เข้าไปเลยครับทีนี้เอ ตอนที่ทำภาวนาเนี่ยก็มันสติมันก็อยู่ในระดับที่รงมาที่ดีขึ้นอยู่ครับ อ, อาจารย์เพราะว่าเวลาที่เรายังปิดไฟแดยงยังะ อ, อาจา์ว่านั่นแหละแต่ว่าความละเอียดมันจะไล่ลงมาอีกเพราะว่าเราดึงเข้ามาแล้วทีนี้พอสติอันนั้นปุ๊บนี่ติดมันก็ยังส่งออกนอกอยู่แต่ว่ามันอยู่ในระดับที่ใกล้เข้ามา มันกันที่เสาแหของหลวงตานี่นะครับนี่มันก็พอมันเห็นจุดตรงนั้นก็ย้ายจุดเข้ามาอีกจุดหนึ่งก็คือดึงดงสาแหเข้ามาอีกแต่ความละเอียดมั น, มนจะละเอียดขึ้นมันไม่ไมห่างเท่ากับช่วงแรกๆที่ทำนะครับไปด่าก็พยายามอยู่จุดเดียวอย่าไปเปลี่ยนที่ดู อยู่ตรงจุดนั้ให้อยู่ตรงจุนั้นจุดเดียวเอย่าไปขยับเนี่ยครับพอาจารย์ครับก็มีประมาณค่นี้กับอาจารย์ครับอขอบคุณครับสบายดรัดูแต่ที่คุณหมอหน้าท้วงใจ่คุณหมาหลับน้ันสกัดพระจัดครับยังไงสบายดีนะสบายดีครับจริงไหมมีมีเป็นหวัก น, นิดหน่อยแต่ก็สบายดีครับเป็นหมอยังเป็นวันได้เลย ครับป่วยแล้วไม่ค่อยได้พักครับเลยป่วยติดต่อเลยป่วยมันจะดีขึ้นแล้วทำงานอย่างห น, นักอยู่ก็เลยก็เลยไม่สบายครับมัวแต่ไปรักษาคนหนึ่งรักษาตัวเองอใช่ครับ <c oughs> ต้องขัดกับเมตตาให้ตัวเองครับอยากถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวมานะครับนะอะอ จะเอาใช่ไหมครับ<ะ>ใช่ครับเพราะว่าผมดูแล้วมันเป็นในพิชารชีพเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมันก็จะพยายามมันต้องแบบอดีทําเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้อกิเลส ต, ตัวเนี้ยมารบกวนเราเยอะอยู่เหมือนกันะก็พยายามอมองอยู่เอ้มองว่าเป็นสมมุติมองอ่ใจให้เป็นเป็นดินพยายามมองว่าเป็นฝันแต่ว่า ก, ก็ดูว่าใจมันก็ขึ้นขึ้ น, น, นลงๆไอ้ความ ความแบบอไรเนครับแต่ว่าผมไม่รู้จัดจัดการเป็นยังไงกับว่าสมมติว่าเราเปลี่ยนสมมุติหไปว่าเราเป็นเหมือนักศึกษาแพทย์ไปกันแล้วกันนักศึกนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งไปก็แล้วกันครับะถึงแม้เราจะมีความชํานาญเรื่องอะไรอันนั้นเราก็อนั้นก็เป็นเรื่องความรู้ของเราคสถานภาพของเราเราต้องคิดว่าเราเป็นเพียงนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเอแล้วก็จะคอยฟังใครเขาพูดอะไรเราก็ยินดีฟังรับฟังใครสอนอะไรก็ยินดีฟัง แต่ถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องให้ความรู้เราก็ให้ความรู้ไปตามที่เรารู้แต่ไม่ไปยึดเพราะว่าเราไม่ไปยึดไปติดว่าเรามีความรู้ว่าเราจะต้องวิเศษกับคนอื่นในคำเราครับเพราะมันจะมีความรู้สึกเหมือนลึกๆว่าเออไอ้เคสยากๆเราทำสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ฟูแล้วก็ฟุ้งแล้วก็เลิกแล้วก็ลงความรู้สึกมันวันนี่ก็มันจะเป็นเรื่องธรรมดาตามความเป็นจริงครับสํำเร็จก็สําเร็จก็รู้ตามความเป็นจริงไม่สาเร็จก็สําเร็จมันไม่สําเร็จก็ไม่สําเร็จ ข้ามาอันนี้ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกังมานะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมาอ๋อแต่ไมนแต่ว่าหมายมันก็หมายถึงเหมือนกับบางทีในในโรงเยาบาแพทย์มันก็จะมีแข่งขันกันระหว่างอะไรเงี้ยฮะมันก็จะทําให้เราเข้าไปไปยึดกับเอ้ทําให้แต่มันไม่ไมนทางเป็นไปได้หรอกครับเพราะว่าทุกอย่างก็แปรนิจจ่างเหมือนก็แต่เราก็จะเหมือนกับใจเราก็จะไปยึดถือกับไปอ่าทําได้นะคนอื่นทำไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นทาได้อลราก็ฟูลงขึ้นมันก็จะขึ้นขลงลงเนี่ย ก็เราอย่าเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองครับอ่ะเออครมื่อก่อนเราทําได้หรือเปล่าเนื้อนี้เราทําได้แสดงว่าเราก็ดีกว่าเก่านะวัดตัวเราเองดีกว่แข่งกับตัวเราเองอย่าไปแข่งกับคนอื่นครับอ่ะคนอื่นมันเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าอยู่เก่งขนาดไหนมันก็มีคนเก่งมาเราันนน้ใช่ครับใช่ครับอ่ะครับอะแต่อย่าไปแบบเป็นลูกหนุนอ่านที่ แม่หนังที่ลูกหนังไปถูวัวมันก็หลังแกแม่ย่า่ก็ตัวมันใหญ่ขนาดไหนก็แบ่งขึ้นมาแบ่งขึ้นมาพยายามหดตัวไว้ทำตัวเราไม่มีตัวตนทำตัวเราเป็นตัวเองแต่ทำที่สุดเราไม่ไปแข่งกับใครเรายอมไม่อยากไม่ต้องการจะเด่นกับใครทั้งสิ้น จริงจะไม่ได้อยากแต่ว่าเหมือนกับบางทีด้วยภลังงานบางทีมันก็อาจเป็นเอ็กเซลเลนต์เซ็นเตอร์อะไรเขาก็อยากทำให้ดุนไอ้นี้แล้วก็แต่ว่าเราก็ครับถูกครับนะจริงเราก็คนหนึงคนหนึ่งเขาจะเห็นเราดีแล้วเก่งแล้วไม่เก่งมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้ครัเขาจะเขาจะว่าเราเก่งก็ปล่อยเขาว่าไปเขาจะว่าเราไม่เก่งก็ปล่อยเขาว่าไปครับนะอย่างไปให้ความหมายอยู่ต้องไม่ให้ความหมายก็มันต้องอ่า ต้องเป็นกลางกับแบบเนนี้ะแต่แต่เข้าใจนะครับว่ามันต้องไม่ให้แต่ว่า แ, วแต่เขาก็อยูหัวใจเอ๊ะมันไม่ได้คิดเหมือนกันจริงจริงไม่ได้มองเป็นฝั่งฝันจริงๆมันก็ยังแบบไปไปบวกไปลบกับไอ้ไอ้ไอ้ไอสิ่งต่างๆ่เหล่านี้อยู่บางทีก็อ้าวหลงแลง้วก็ขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่นิ่งเวลาแล้วกลับไปที่ตัวรู้ทุกอย่างมันก็หายไปหมดใช่ไหมเวลาเข้าสมาธิอยู่นี้อยู่กับตัวรู้เรื่องราวเหล่านี้มันก็หายไปหมดอือนะครับ ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนละครที่เราเล่นกันอยู่ทุกทน่เลยพอเราออกจากโรงละครเรื่องราวต่างๆมันก็มันก็มันก็หมดความหมายไปครับครับอ่าครับไปให้ถึงจุดผมก็ยังต้องต้องต้องขาดกำลังสบัติมีมีความรู้แต่ว่ายังยังยังไม่มีกำลังไอที่จะไปตัดที่เฉยไม่ได้ครับ แต่ช่องก็ไปยุ่งกังานเยอะพ้องยุ่งกับงานเยอะไอ้เวลาทําสมาธิก็ลดเพอลดมันก็อุปเเกรดขึ้นได้ครับไม่ใช่นรับให้ไปยินดีไลฟขึ้นมาไปยินดีไลฟ์ขึ้นมาใช่ครับอาจจะต้องมามามีสติตามให้รู้แล้วก็มีสมาธิให้เยอะขึ้นแล้วก็ปัญญาต้องอยู่แล้วครับทฤษฎีเรารู้แต่ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ครับ ยพยายามฝึกสติฝึกสมาธิสติสมาธิครับต้องไปเตะไม่แม่น้องกลับมาขึ้นเขาใช่ครับ<笑><笑>ใช่ครับแต่เดือนนี้ก็เนี่ยถยังตาแรกว่าจะก็มีเนี่ยอยู่เวรแล้วก็จะมีต้องไปประชุมอะไรไ น, นี่ก็ปุ๊บโผลก็ยังใช่ครับแล้วผมว่าเดี๋ยวต้องต้องทำหาวิธีให้มันไม่ง้นก็ยงผูกพันอยู่ตรงนี้ครับ อางครังก็วนเหมือนงานก็เวลามาอยู่วัดก็มันแล้วก็ทําตัวเป็นเด็กวัดไปใช่ไมเราไม่เด็กวัดแล้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนแล้วก็ใช่ครับใช่ครับถูกครับนะครับหรือหมายว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไมไหมใช่ครับใช่ครับผมก็ดูแล้วมันเหมือนจะดีแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็มาดูแล้วมันเป็นทุกข์ก็มองว่าเออเอ๊มันก็ทําให้ใจเราไปติด่ใไปให้ความหมายไปให้ความโปรแกรมโลกมันเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ ข่าวมาใช่ครับยิ่งต้องออกครับคขอบพระคุณครับจะต้องพยายามฝึกให้ให้เยอะเช่นอย่น้อก็ยังดีมีสติรู้อยู่เพียงแต่ว่าตอนากับอุเบกขาไม่พอที่จะไปหยุดมันะใช่เห็นเห็นอยู่ครับว่ามันเออมันจะเป็นเป็นความทุกข์ทำให้เราไม่ไม่นิ่งอยู่ครับแต่ว่ายังจัดการกัมันไม่ได้ครับแต่ว่าสติกับสมาธิครับผมว่ายังยังต้องนั่งให้มีอุเบกขามันก็จะได้เฉย ใช่จะ ไ, ได้สบายครับเโอเคมีทนะ okay. ่านไหน้นครับผมนะถ้าต้องอะไรที่เป็นบางว่าไรสี่ราชาครับนรัตการเจร้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะยังยอมหยุดเย็นอยู่นะดีมากเลยเจ้าค่ะตอนนี้ก็ตีหนวดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะแล้วก็จิตใจก็ยังคงที่อยูนะ่ ในขณะเดียวกันค่ะค่ะยิ่งห่างวัดยิ่งกระหายทำเจ้าค่ะเวลาที่ได้มีโอกาสไปวัดค่ะหนูก็เร่งทำให้เต็มที่เลยเจ้าค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยววันศุกร์นี้หนูก็จะไปอยู่ด้วยเจ้าค่ะโ okay. อเคเดีเยวอาติวันดีคุณหมออุทัศนีปฐมดาเนยามาสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคอ่ามาที่กุญจา ออริกอนพอพ์อเล่นสักการ์่่วพระอาจารย์ว่ายังไง ม, มีอะไรไหมค ะ, ะวันนี้หนูมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับขันห้าค่ะคือหนอูหนูเข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราในแง่ที่ว่าเราก็เป็นจิตที่มาเกาะร่างกายเออเกาะ เหมือนอสุจิกับไข่ของพ่อของแม่นะคะแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นอาการสามสิบสองอะไเงี้ยค่ะแต่ส่วนที่หนูติดอะ่ะคือคําว่าร่างกายไม่ใช่ของเราค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของเราในแง่าถาวรว่าใช่สุดท้ายแล้วเราจะต้องละร่างกายนี้ไปเราก็จะตายแล้วความอยากของเราก็จะทําให้เราไปเกิดใหม่แต่สําหรับหนูแล้วหนูรู้สึกว่า ณนะตอนเนี้ยค่ะที่เนี่ยที่หนูนั่งคุยกับพระอาจารย์อยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นร่างกายของหนูอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะคือพระอาจารย์่วยอธิบายตรงนี้ให้หนูพอค่ะก็เป็น<จ>ของของชั่วคราวเนี่ยเป็นของเราชั่วคราววันหนึ่งของยืมเข้ามาเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคืนก็ไปอ๋อโอเคแต่ก็คือจะเรียกว่าเป็นของเราก็ได้ในใ น, นว่าเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งก็จะต้องสูญเสียมันต้องคืนไปต้องคืนเจ้าของเดิมไป คือดินน้ำลมไฟมันก็จะเอาร่างกายนี้ไปต่อไปอืมโอเคก็คือแค่การพิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ได้แปลว่าอ่าคือไม่ได้เป็นของเราในแง่อย่างเช่นเราซื้อรถมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นของเรานะตอนที่เรามีมันแต่พอเราเปลี่ยนไปเป็นรถคันใหม่มันก็ไม่ใช่ของเราเอ่อก็คือแค่ให้ให้เข้าใจว่าไม่มีความถาวรไม่มีความถาวรเป็นของชั่วคราว โอเคค่ะแล้วบางทีเราก็บังคับมันไม่ได้บางครั้งมันจะบางส่วนมันก็ของร่างกายเราก็บห้ามมันไม่ได้ห้ามมันให้ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะมีเท่านี้นะตอนนี้มีเท่านี้ค่ะอาทิตย์นี้หนูปฏิบัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่รู้จะรายงานอะไรโอเคไม่เป็นไร เอาเลยครัปฏิบัติสติเป็นเบื้องต้นก่อนนะค่ะสาธุค่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณคพระอาจารย์ไปที่คุณเอตา ค, คุณเออยู่ที่ไหนคุณเอะไรเนี่ยพิการจดลงะเบียนตัวเลขการไมหมคะกล่าวนมัสการค่ะอยู่โตกเกียวค่ะพระาอาจารย์อเคยทำมาเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหายไปพักตามย้อนหลังอยู่ค่ะอ่า มีอะไรไหมอะไรนะคะมีอะไรหรือเปล่าอืมไม่มีค่ะเข้าประกาบว่าอาจารย์ค่ะคิดถึงอ๋อ่ า, ากลับไปเมืองไทยก็ไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปที่ชนบุรีค่ะอืม <c oughs> บ้านอยู่ที่ไหนที่เมืองไทยอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่โตเกียวค่ะไม่บ้านที่เมืองไทยอยู่ที่ไหนไม่ค่ะ บ้านที่เมืองไทยอยู่ที่ไหนบ้านที่เมืองไทยก็คือถ้าไปก็คือจะอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ก็จะเดินไปปฏิบัติกับเอ่อคือตอนนี้ทุกครั้งที่โยมกลับก็จะไปที่ไปกราบหลวงตาที่บ้านตาดค่ะก็มันพอมันเหมือนกับว่าพอเข้ามาในในศึกษาทางธรรมค่ะมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่อัศ จ, จรรย์มากเลยค่ะก็ก็โยมได้ไปรู้จัก กลุกสิทธิ์ของหลวงตาหลายๆหลายๆท่านนะคะได้เข้าไปกราบแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะอืมก็ดีเข้ามาค่ะโอเคถ้ไม่มีอะไรก็เอาท่านี้ก่อนนะนี่มีคำถามค่ะตบ ส, บ ส, บสบั้นนะคะอ่าไปคุฎีคุณชะเนินต่อกุณชะเนินได้ยินไหมกุณชะเนินได้ยินขาพานจานท์ครับอ่อยู่ที่ไหน มัสการค่ะค่ะแฟนมากราบพระอาจารย์ด้วยครับตอนนี้หยุดโพราชครับมีอะไรไหมมีอะไรไหมจะาพอาจารย์ยพระอาจารย์สบายดีไหมครับก็ยังก็ยังหายใจได้ดีอยู่นะครับผมก็สติดีขึ้นครับหลังจากกลับมาปฏิบัติครับแต่ก็ไม่มีคำถามครับ <Okay. S 2> ก็ท ำ, ทำเรื่อยๆครับได้ดีพยายามปฏิบัติไปอย่างต่อเ น, นื่องนะอยากขาดตอนครับอาจารย์ต <Okay. S 2> ัวเองค่ะโอเคเดี๋ยวไปที่คุณอุสาก่อนนะเมื่อกี้แกเข้ามาแล้วออกไปทุณอุษาไว้ไก่อนนิมัตการครัอาจารย์สัญญาณเน็ตยมไม่ดีค่ะโทรศัพท์มือถือต้องใช้นอทบุ๊กแทนนะครับอั น, อนนี้ดีแล้วตอนนี้ใช้ไวไฟเล ใช้เมื่อกี้ใช้โทรศัพท์อะค่ะแต่ว่าตอนนี้มาใช้น็ตบุ๊กแทนสัญญาณโทรศัพท์โยมไม่ดีค่ะอืมก็เลยมาน่ขายมกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะพระอาจารย์อ่าโยมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางให้ฟังนะคะโอเคค่ะคือวันที่โยมเดินทางจากนาทิวัดไปสวนภูมิเนี่ยค่ะเอ่อเครื่องบินมันจะต้องมุ่งหน้าจากใต้เป็นเหนือใช่ไหมคะตะวันออกจะอยู่ขวามือโยมก็นั่งไปสักพักหนึ่งโยมก็อยู่กับปัจจุบันค่ะ แลาได้ยินเสียงกัปตันประกาศว่าเครื่องบินจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา16นาฬิกา45นาทีโยมก็ดูนาฬิกาโยมตอนนั้นมันอยู่ที่16นาฬิกา10นาทีแต่พอรนั่งไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันผิดปกติคือเครื่องบินมันไต่เพดานสูงขึ้นถึงสองครั้งอะคะ่ะแล้วก็หันไปมองทางนอกหน้าต่างมันเป็นควนันเป็นเมฆสีดำเลยค่ะ บ, บินไปแล้วก็ที่ปลายฟ้ามี มีฟ้าแลบแล้วก็ดวงอาทิตย์มาอยู่ทางฝั่งขวามือโยมนั่นแสดงว่าโยมจะต้องมุ่งหน้าจากเหนือลงใต้ใช่ไหมคะ mm hmm. โยมก็เก็บในใจเอาไว้ค่ะก็หันไปมองอีกครั้งหนึ่งก็ยังเป็นสีแบบเดิมแล้วก็โยมรู้สึกว่าอืมมันน่าจะมีอะไรผิดปกติเพราะว่าไม่มีแอร์โฮสเตสเดินไม่มีใครเดินเลยในขณะนั้นซึ่งมันใกล้จะลงสนามบินแล้วใช่ไหมคะโยมก็นั่งนึกในใจ อาจารย์สุชาติช่วยเธอด้วยค่ะอยากให้ทุกคนบนบนเครื่องนี้ปลอดภัยแต่ตอนนี้นไม่ได้นึกถึงตัวเองนะคะนึกถึงคนข้างหน้าที่เขายังคุยกันอยู่ที่ก็ไม่รู้เลยว่าอันตรายมันอยู่ใกล้ๆตัวแค่นี้เองหน้าของอาจารย์ลอยขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็โยมก็กลับมาพุดโทเอ้ยทพูดโทไม่ได้พูดโทรศัพทครั้งพูดโธรไม่ได้ให้อยู่กับปัจจุบันโยมก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็นิ่งไปค่ะอาจารย์รอว่าเมื่อไหร่มันจะตกหลุมอากาศหรือเปล่า แต่ปรากฏว่านั่งไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงแอร์โฮสเตสประกาศแต่อะไรไม่ทราบยมจับได้คําสุดท้ายคือแลนดิง้งความรู้สึกตัวเองก็คือรอดแล้วแล้วก็พอถึงสนามบินก็โยมก็มาขึ้นแท็กซี่ก็มาบอกน้องเขาว่าขอโทษ น, นะคะที่ทําให้ต้องรอแต่น้องเขาบอกว่าไม่ใช่กับเครื่องบินดีเลย์แล้วมันบินไปถึงนครนายกแล้ววกกลับมาแถวนั้นนะคะอาจารย์<ม>และที่ผ่านมาตรงนั้นคือมีท้องฟ้าขนอง<ม>ฟ้าฝนขนองโยมก็ไม่ได้คิดว่า การเดินทางหรือว่าชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยความตายมันอยู่ใกล้เราทุกขณะจิตเลยนะคะอาจารย์มันใกล้จริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวข่าวทุ่มหนึ่งมันก็คงบอกลูกก็คงรู้ตอนนั้นนะนั่นคือถ้าไม่คิดได้ว่าการเดินทางถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่ตกจะไม่ตกใจในขณะที่กลุ่มข้างหน้าเขานั่งกันหลายหลายคนเขาคุยกันเสียงดังเขาไม่รู้เลยว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ เลยมได้คิดตรงนี้ว่าสิ่งที่เราเจอมันเป็นเรื่องที่แบบหน้าหน้าหน้าเป็นบทเรียนนะคะเป็นบททดสอบของเราะคะ่ะสองคนที่เดินทางไปนะคะอันนี้เลยบอกว่าโอ้ดังนั้นความตายมันอยู่ใกล้เราเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้เสม อ, อมแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสติเราจะไม่ตกใจอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์นึผ่านหรือเปล่า ผ่านมาค่ะ <S <S <S ตอนนั้นไม่มีความกลัว <S <S หรือตกใจหรือสันอส่นอกสั่นขวนแขวนไม่มีอาการแบบนั้นเลยค่ะนั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตาลงต่ําหันไปมองเมฆครั้งแรกโอ้นในนึกในใจโอ้ยนึกถึงสามเหลี่ยมโปรมิวด้าขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์แต่ว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบนันพ่อจันบอกว่าถ้าเราพุโทโธรเราคือการเข้าเซฟโซนแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบนันคือเราการปล่อยยมก็เลยโอเคเกิดอะไรก็เกิดรอค่ะอาจารย์แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลอดภัยค่ะ แล้วไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็ก็ดีค่ะแต่โยมสงสัยอยู่อันหนึง่งตอนที่ไปฟังธรรมนะคะโยมเผลอคิดตามขณะที่เราฟังธรรมนี่เราคิดตามหรือเราฟังอย่างเดียวคะอาจารย์ถ้าคิดตามได้ก็คิดตามถ้าคิดตามไม่ได้ก็ฟังอย่างเดียวไป <c oughs> ตอนนั้นคืออาจารย์เทศ <c oughs> ในเรื่องของสังสารวัฏแล้วก็ไปพบสามพบนั้นมันเกิดมีการเวียนว่ายตายเกิดโยมก็คิดว่าอมันเป็นไตรรักนะดมันไม่มีอยู่จริง ไอ้คำว่าไม่มีอยู่จริงนี่โยมมันผุดขึ้นมาเองอาจารย์ไม่ได้พูดหรอกค่ะโยมก็คิดเอ อ, เ, อเราก็เผลอไปคิดตามก็เลยก็กลับมาสงสัยอะคะ่ะอาจารย์อันนี้ก็คล่องใจคะ่ะได้คําตอบว่าคิดได้ใช่ไหมคะได้แล้วแต่เราจะเลือกฟังแบบไหนถ้าไม่อยากจะคิดตามก็ฟังเสียงไปก็ได้สมาธิถ้าคิดตามก็ได้ปัญญามันมันก็มีช่วงแรกๆที่ว่านั่งฟังไปฟังไปจนมันก็รู้สึก มันมันอย่างที่เรียนอาจารย์ไปอะค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบหนึง่งแต่ที น, นี้ก็เลยออกมานั่งฟังแรกแรกที่อาจารย์พูดอะค่ะตอนนั้นค <c oughs> <k> ิดตามคิดตามเสร็จก็เลยกลับมาฟังใหม่แบบไม่คิดตามปล่อยไปเรื่อยๆอะค่ะตรงนั้นก็ก็ประสบความสําเร็จในความรู้สึกของโยมโยมว่าโยมประสบความสําเร็จที่ที่น่าพอใจค่ะอาจารย์อันนี้ค่ะโยมก็ขอบพระคุณอาจารย์ น, นะคะที่สร้างเรือนภาวนาขึ้นมาให้กับทุกคนได้ ไปใช้สถานที่นั้นในการยูนลําพังกับธรรมะที่เราต้องการค่ะอาจารย์แล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตรยาโยมสร้างกันยยขึ้นมาเราเป็นเพื่อนสาธุค่ะตาทุค่ะแล้วโยมก็ขอบคุณกัลยาณมิตรในคะเราเป็นพียงที่ปรึกษาแล้วเนี่ยสาทุค่ะ<ม>แต่ก็มีอาจารย์<ม>เป็นแรงผักดันอยู่ดีอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็กัลยาณมิตรในซูมนะคะพอเจอก็เข้ามาทักทายโยมก็อ๋อขอบคุณค่ะ เพราะว่าโยมกับน้องที่ไปด้วยนั่งอยู่บนเรือนนั่งอยู่บนศาลาเราสองคนดำอยู่สองคนเลยค่ะคนอื่นขาวหมดเลยค่ะาอา จ, จารย์ขอบขอบขอบัอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบอบอบขอบขอบขอบขอบอออบขอออบขอบขอบอบขีบอบอบขีบขอบขอบขอบขอบขบขอบบขอบขขอบขอบคอบขอขอบขอบขอบขอบอบขอบขอบขอออออออ เขาเตรียมเอกสารไวตอนเด็กอะค่ะแล้วเขาก็เลยไปพักก่อนค่ะค่ะรับผู้ค่ะอาจารย์ไปที่คุณชนาดาต่ออยู่สมุดปากกาและอยู่เสียใชาวันนี้อยู่สมุดปากกาเจ้าค่ะพอาจารย์รัชการเจ้าค่ะเอ่อคิดถึงพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้ามารับพลังก่อนเดี๋ยวจะเล็วไหลเดี๋ยวตัวเองนะคะจะเลวไหลก็ เ อ, อกเออ็เขาเรียกว่าอะไรก็สติมันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ค่ะพรอาจารย์แล้วก็ยังมีแบบอารมณ์บุบว่าอะไรเงี้ยค่ะเออยั ง, ยงจนคนที่อยู่รอบๆเราเขาก็สับสนกับเราไปด้วยค่ะพรอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวางปล่อยวางได้เอ๊ะเดี๋ยวพี่จะพี่จะเครียดอะไรอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ แล้วกิเลสมันฉลาดที่มันก็หลบๆซ่อนๆหลอกเราพอเราเป็ ม, มัน ก, <ะ> ม, นกมันก็ตลบหลังเราเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ค่ะโอ้รู้ ก, ก็รู้ ก, ก็ว่ามันหเอาเรื่องเรื่องเอาเรื่องพอสมควรขนาดเจอเรื่องนี้มาต้องพักใหญ่แล้วนะคะพระอาจารย์คิดว่าบางทีปล่อยวางได้แต่ก็บางทีพอจเจออะไรมากระตุ้นนิดนึงก็เอาอีกแล้วอย่าปรมาต้องเจริีนสมาธิจเจริญปัญญาอยู่เรื่อย ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ลูกว่าทุกเรื่องเลยอ่ะที่คิดว่าทําได้นะคิดว่าทําได้แล้วว่ามันมันยังไม่จริงอ่ะค่ะพระอาจารย์ต้องต้องต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่ใช่ไม่ใช่พิสูจน์ด้วยการคิดไใช่มคิดใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์จะเป็นราเราได้เพราฝันเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกบอกผลลัพธ์เลยค่ะพระอาจารย์ความฝันเนี่ยมันจะเป็นของจริงนะค่ะค่ะลูกก็เข้าใจเลยค่ะว่าแบบ เข้าใจเลยค่ะพระอาจารย์ต้องใช้ความพยายามแล้วก็อน า, าคตคงจะเจริญสติต้องเจริญสติให้ได้ต้องร้อยเปอรนนะคะพระอาจารย์ทันเลย้งวันตั้งแต่ <tag. S 2> ตลืมตาขึ้นมาเลยค่ะค่ะ <c oughs> มันถึงจะเอาชนะได้ค่ะพระอาจารย์ใช่ <c oughs> พยายามฝ <c oughs> ึกไปเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะลูกมาขอขอพลังค่ะพระอาจารย์เอ่าอ่ากัค่ะด้วยความเอ่อ เอ่อกราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็แบบคิดถึงพระอาจารย์นะคะคิดถึงพระอาจารย์ตลอดค่ะอ่กราบย์อ่ากราบขอบพระอาจารย์อ่าในที่พวกูฟผาปู่ผาวันนี้เข้ามาได้กันการต้องมสกัดครับอ่มีมาต้องพอบกลัวเลยยังไงมันเปลือยลูกพงยังไงอ๋อจ้ย ไม่ใช่คุปามามาแดงขาวอ่าเป็นยังไงคนสบายดีนะสบายดีบ้างสยครับาจัอยังไม่นอนกันอีกล้เข็ดมค่ะเิแล้วครับอืมเป็นยังไงมีอะไรไหมไม่อยากจะถามเลยไม่ไม่มีอะไรไม่มีค่ะไม่มีคถามปอาจ มาเยี่ยมเยียนกันน ะ, ะ <c oughs> ได้ครับะอาจารย์ด <c oughs> ีอย่าเล่นกันมากกันไปนะอาชว่วงปิดเทนี้ลองฝึก น, นั่งสมาธิกันยูน ะ, ะนั่งสมาธิวนบนไหว้พระกันก่อนนอนทำหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่ก็แว <c oughs> กลับมาทำเยอะๆค่ะอ่ะนะอย่าทิ้งนะของดีของวิเศษ ช่วง น, นี้มีเวลาก็เอามาทำย่อที่ไม่มีเวลาก็กว่าไปอย่างตอนที่มีเวลาแล้วก็ต้องทำโอเคทำไมไม่มก้าวทันทีก่อนนะขอบใจจังแข็งแรงแข็งอรนคะทุกคนในกาวสูมวงมากนะ อเอาไปที่คุณโจ๊กดูมีคําถามอะไรไหมคุณโจ๊กเรนี้กับนรัติการค่ะมีสามคำถามค่ะคำถามสองคำถามส่งมาจากคุณเข่งนะคะคํำถามที่หนึ่งค่ะกับนรัตการพระอาจารย์ครับการเอาชนะทุกขเวทนาต้องนั่งนานครับการใช้อุบายวิธีในการเอาชนะทุกขเวทนาในแต่ละครั้งผมเปลี่ยนอุบายวิธีไปตามสภาวะในขณะนั้นแล้วแต่ปัญญาในตอนนั้น ว่าจะคิดคนอะไรออกมาสู้ครับผมจึงอยากสอบถามว่าอุบายวิธีที่จะเอาชนะทุกขเวทนาไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้งถูกต้องไหมครับและขอพระอาจารย์ชี้แนะวิธีจะสู้ให้ผ่านทุกขเวทนาครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีไหนได้ก็ใช้โดยหลักมันก็มีสองวิธีใหญ่ๆก็คือสติหรือปัญญาถ้าใช้สติเรวก็บริกรรมพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปแล้วก็ปล่อยให้การ เจ็บไปก็เจ็บไปพอเราสวดไปจิตเราสมองจิตเราก็จะไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บปวดของร่างกายอันนี้ก็เป็นวิธีหนึง่งอีกวิธีหนึ่งก็พิจารณาว่าเวทนาที่เป็นนั้นเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปเวลานมันจะมามันอยากให้มันไปมันไม่ไปอถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยา่าไปอยากก็ปล่นมันอยู่ไปคันอยู่มันไปเฉยๆไปอันนี้ก็ปันเรื่องของปัญญาก็มีหลายวิธีหนึ่งทั้งทั้งแนวสติทั้งแนวปัญญามันก็อาจจะมีหลากหลายวิธีในการแล้วแต่ะแต่ละคนจะหาอุบายมาใช้มันแต่โดยหลักก็มีสองวิธีใหญ่วิธีของสติกับวิธีของปัญญาคำถาต่อไปจะคุณเข่งค่ะ พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเทศว่าโลกนี้มีแต่เมื่อยกับแจ้งนอกนั้นเป็นสมมุติรบกวนพระอาจารย์เมตตาช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับก็หมายถึงว่าความจริงของโลกเรานี่ก็มีแค่สว่างกับเมือ่อยอย่างเช้าว้าที่ขึ้นมันก็สว่างเย็นพอที่ตกมันก็เมือ่อส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในโลกนี้มันก็เป็นเรื่องของสมมุติทั้ง น, นั้นเนี่ยพวกเรานี้ก็เป็นตัวสมมุติเป็นตัวละครอย่าง แต่ดมาแล้วเราะว่าตั้งให้มีชื่อนั่นชื่อนี้มีตําแหน่งนั่นตําแหน่งนี้ไปแล้วก็เล่นไปตามบทตามละครของเราไปแต่เดี๋ย ว, วพอบทเราเขาก็จับเราเข้าเข้าลงไปนั่นคันนั้นเองนี่คือเรื่องของโลกไปค่นี้ไม่มีอะไรสาระเป็นความจริงเป็นเรื่องละครโลกเราเป็นเหมือนองคละครใหญ่ๆเนี่สมมุติเนไงละครก็คือสมมุติใช่ไหมโดยละครเขาก็เล่นไป ตอนนี้เป็นพระเอกตอนนี้เป็นนางเอกตอนนี้เป็นผู้ร้ายลเล่นกันไปเดียวพอละครจบก็ก็ก็กลับบ้านกันไปบ้านใครบ้านมาันอันนี้ก็หมายถึงความบทตรของเราจบเราก็ใจเ้วก็ไปไปต่อไปไ ป, ไปหาลงลงใหม่เล่นต่อไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเล่นบทใหม่ต่อไปนี่ก็คือเรื่องความจริงเขามีแค่เมื่อยกับแจ้งนะ นองนั้นก็เป็นสมมุติหมดคำถามสุดท้ายจะคุณบอยดีค่ะมีแฟนแบบไว้เป็นเพื่อนช่วยเหลือกันดีไหมครับถ้าแฟนเราไวใจได้ก็ดีแต่อยากแฟนนะอาจจะกลายเป็นกลายเป็นหูพิษหูเห่ามากัดเราก็ได้นั่นไม่มีอะไรเี่งแท้แน่นอนมันดีขึ้นดีเขาอาจจะเปลี่ยนใจเขาอาจจะไปมีปัญใจให้กับคนอื่นขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไง ำถามหมดแล้วค่ะโอเคส้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเธิ